บ่ฮุงเวสารนังยันตีป่าผาตานีวันานิจาอารามมรุคเจตยานีมนุษสาพยาตาชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสารณมุตตังเนตังสารณมากัมมั ซาบาดุขาปะมจติโยจะบุทธนจะทำมันจะสังขัญจะสารนังคาโตจัตตาริอริยาสัจญานีสัมปัญญาญาัสติโทขังโทคาสมมปาทางโทคาซาจะติกมัง อริยังจัดทังทิกลงมากขังทุ c โ a ปัสมะคามินังเอตังโคสารนังเขมังเอตังจาระามุตมังเอตังจาระนามากัมมาสับะุขาปโมจติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลส ตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อพระบรมศาสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามแล้วมหันตภัยคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายมหันตภัยคือความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจคุกคามแล้ว มนุษย์ก็หาภูเขาเป็นสาสนบ้างต้นไม้เป็นศาสนาบ้างดวงจันทร์เป็นศาสนาบ้างพระอินทร์พระพรหมเป็นต้นเป็นศาสนาบ้างพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สาสนอันเกษมนั่นไม่ใช่สาสนาอันสูงสุดเมื่อประชาัตว์อาศัยศาสนาเหล่านั้นแล้วไม่ด้คส่วนบุคคลใดขอถึงพระพุทธเจ้าว่าทำภาริยาตนว่าเป็นศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นที่ื่อใจ ท่นมาศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนเองจนสามารถทำยานกันย้ายเกิดขึ้นแทนตลอดทุกขรรัสจักรด้วยการกำหนิดรู้สมุทัยด้วยการละมิโรคด้วยการทำให้แจ้งมรดด้วยการอบรมและเจริญจนสามารถแทงตลอดัสจักรรละกิเลสได้เข้าถึงความจริงของชีวิตพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นศาสนาอันเกษมนั่นแหละเป็นศาสนะอันสูงสุดเมื่อประชาัตว์อาศรรยัยศาสนะนั้นแล้ว จึงสามารถพ้นจากมาหันตภัยมารตะทุกข์ขั้นต้นได้ขอความเจริญยในธรรมจงมีแต่คณนะนอบสอใช่ไหมทุกทุกท่านไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ว่าอะไรนะอ๋อเป็นนักบริหารนักบริหารอะไรอ๋อนักบริหารสาธารณสุข โอ้โหวันนี้นบวโชคดีเรือยๆเลยได้มีโอกาสมาสนทนาอย่าได้ถือเป็นการแสดงธรรมนะเมื่อกี้อัลัฏนาพระธรรมเนี่ยอมาก็เลยต้องขึ้นบาลีเป็นการแสดงธรรมแล้วกล่าวพุทธพจน์เพื่อให้ให้เหมาะแ ก, ก่กที่โยมมาอัลัฏานานะแต่ให้ถือเป็นการสนทนากันก็นก็แลกเปลี่ยนอามาต้องการคําถามมากที่สุดเลย แล้วก็ต้องการอยากจะที่อยากจะามาเป็นการสนทนาแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้โดยเฉพาะก็คือว่าในฐานะที่ามาเป็นพระสงฆ์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ายอมก็เป็นอุบาสกและอุบาสิกานะเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันฉะนั้นในขณะที่เรามาพบกันเนี่ยมีโอกาสได้เจอกันซึ่งมีโอกาสค่อนข้างน้อยมากเวลาก็ค่อนข้างจํากัดมีเวลาเพียงไม่ถึงวันอย่างเงี้ย โดยส่วนใหญ่ก็คืออยากให้พวกเราทั้งหลายได้ประโยชน์สูงสุดแต่ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่จะนำมาสนทนาหรือม า, มามามาให้ข้อมูลความรู้เนี่ยประเด็นที่เป็นประเด็นหลักจริงๆก็อยากจะให้พวกเราได้ได้เกิดข้อมูลความรู้โดยเฉพาะก็คือว่าพวกเราอยู่ในฐานะเป็นนักบริหาร <c oughs> นักบริหารนั่นเอง ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นผู้ที่มีบทบาทในสังคมหรือเกิดมาในช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราได้มีโอกาสเนขึ้นมายืนอยู่ในจุดตรงนี้ได้ก็นนะว่าไม่ไม่ง่ายเลยชีวิตหนึ่งของคนคนหนึ่งที่จะสามารถพันตัวเองขึ้นมายืนในจุดเป็นนักบริหารในระดับต่างๆได้เนี่ยต้องถือว่าต้องต้องมีจุดเด่นและจุดดีพอสมควรใช่ไหมแล้วก็ต้องสามารถกําจัดจุดด้อย ที่จะเป็นตัวขัดขวางที่จะทําให้เราไม่สามารถเดินขึ้นมาถึงจุดนี้ได้อันนั้นก็ต้องยอมรับนะว่าจะมาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่แต่เป็นวิธีการที่เราก็เพียรพยายามในการที่จะขึ้นมาอยู่ในจุดตรงนี้ได้ฉะนั้นก็อยากให้พวกเราได้คําว่านักบริหารตรงเนี้ส่วนทางพระที่จะมาให้ข้อมูลของพวกเราในวันนี้ก็คือว่าวันก่อนก็คุยกับทางท่านพ่ออเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้พูดเรื่องอะไร ก็บอกเออใหญ่ที่อยากจะให้กล่าวหรืออยากจะให้พูดก็คือเกี่ยวในเรื่อ ง, องว่าด้านความสุขเนี่ยในทางด้านของพุทธศาสนาคือด้านของการทํางานถ้าเราตั้งประเด็นเข้าไว้ใช่ไหมการทํางานเนี่ยหรือเป็นนักบริหารเป็นนักจัดการทั้งหลายเหล่านี้ยสิ่งที่เราต้องการกันมากที่สุดก็คือความสุขถ้าเราจะตั้งประเด็นกันเข้าไว้ก็คือว่าการทํางานเนี่ยงานมันต้องได้ผลใช่ไหม ท้า ง, งานได้ผลหรืองานไม่ได้ผลคนเป็นทุกข์นี่ถือว่าแย่นะแย่สองส่วนเลยนะตัวเนื้องานก็แย่ตัวบุคคลที่ทํางานก็แย่ใช่ไหมงานไม่ได้ผลคนเป็นทุกข์หนี่แย่ท้า ง, งานได้ผลคนเป็นทุกข์ก็ยังแย่อยีกเหมือนกันนะไอ้ตัวงานมันดีแต่ไอ้ตัวคนที่ทํางานเนี่ยแย่เพรานั้นเป้าหมายของการทํางานจริงๆงานมันต้องได้ผลคนต้องเป็นสุขใช่ไหมได้หลักการมันต้องอย่างนั้น แต่ว่าเราจะเข้าถึงหลักการและเข้าถึงความจริงตรงนั้นหรือไม่ก็ต้องตามดูเ ด, ด, ด็ดตอนก่อนจะพูดในเรื่องตรงนี้อยากชวนให้พวกเราได้หันเข้ามาหาหลักการของกฎความจริงธรรมชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตัสรู้ความจริงธรรมชาติใช่ไหมถ้าถามพวกเราบอกว่าพระพุทธเจ้าตัสรู้อะไรเราเรียนกันมาศึกษากันมาแล้วฟังกันมาเนี่ยก็บอกว่าตัสรู้อะไรตัสรู้อริยสัจพอว่าตัสรู้อริยสัจเนี่ย อริยสัตย์หรือสัจจะตัวนี้คืออะไรก็คือความจริงเงินประเสริฐพอบอกความจริงเงินประเสริฐเนี่ยมีอยู่กี่อย่างโอู๋เราตอบกันได้ใช่ไหมมีอยู่สี่อย่างในสี่อย่างคืออะไรหนึ่งทุกใช่ไสองสมุทัยหรือเหตุให้เกิดทุกสามนิโรธคือความดับทุกสี่มัด ก, ก็คือทางดําเนินให้เข้าถึงความดับทุกจริงๆเนี่ยหลักการตรงนี้เราได้ศึกษากันมาหรือฟังกันมาตั้งแต่เล็กๆ ก, ก็ฟังกันมา แต่เชื่อไหมโดยส่วนใหญ่เนี่ยชาวพุทธรู้ว่าพุทธเจ้าตัสรู้อริยสัจแต่ชาวพุทธไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการเอาอริยสัจเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงเลือกมาใช้ในการบริหารจัด ก, การงานกันโดยมากเราจะไม่ค่อยเอามาทําแล้วมาใช้และที่น่าแปลกประหลาดที่สุดก็คือว่าไปไปมามาบางทีเนี่ยเวลาเราไปเรียนวิชาการของฝรั่งเนี่ยไปไปมาเราก็ไปคล้อยตามฝรั่งฝรั่งก็บอกว่าไงก็บอกพุทธศาสนามีทัศนคติเนี่ย ต่อโลกและชีวิตเนี่ยไม่ถูกต้องถามว่ามีทัศนคติต่อโลกและชีวิตเป็นยังไงบอกว่ามีทัศนคติต่อโลกเนี่ยมองโลกโดยมีทัศนคติที่เห็นเป็นทุกข์ว่างั้นเธอทาให้เครียดทําให้รุ่มเพราะอะไรก็เป็นทุกข์สมบูรณดใช่ไหมเนี่ยไปมีทัศนคติคับแคบต่อโลกและชีวิตเนี่ยว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรค พอไปมองอย่างนี้ขึ้นมาก็จะเกิดความท้อเกิดความกรัดก้มแล้วก็เกิดทุกข์เกิดทรมานขึ้นมายังมีทัศนคติที่ไม่ดีมองโลกในแง่ร้ายนี่ยฝรั่งเขียนไว้ในในไซโคอินวีเดียเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆเลยนะบอกเออเนี่ยมีมีทัศนคติที่มองโลกในแง่ง ate, งร้ยนะย า, ายมองโลกในแง่ลบ <c oughs> ยอมเห็นด้วยกับเขาไหม <c oughs> เห็นด้วยมไหมที่ฝรั่งเห็นอย่างเงี้ยเราเชื่อตามเขาเห็นตามเขาไหม เอาท น, นี้ก็ต้องมาดูกันแล้วเรามีเวลานิดหนึ่งก็คือว่าในสัจจะข้อแรกเนี่ยถ้าพูดตามบาลีมาจะพูดบาลีนิดหนึ่งนะเที่บอกว่าทุกขังนะอริยาสัจจังปรินเยยอย่างท <c oughs> ี่บาลีว่าอย่างนี้ <c oughs> ก็คือว่าทุกขสัจจะเนี่ยเนี่ยเป็นความจริงอันความจริงแรกก็คือว่าทุกนี่คือปัญหาพวกเราเป็นหมอเป็นแพทย์เนี่ยเรารู้ดี ว่าจริงๆแล้วเวลาเราจะเราจะเรียนเรื่องโรคเนี่ยเราจะรักษาโรคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปรักษาเราไม่ใช่รู้แค่ตัวโรคนะเราต้องไปรู้อะไรทั้งกายวิภาคทั้งตรีเราวิทยาเรเรียนหมดเลยถูกไหมเรียนทั้งบทนั่นแหละที่มันจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งแห่งโรคนั้นฉะนั้นถวกทุกขังอริยสัจังปริญยยังเนี่ยทุกเนี่ยเป็นกิจที่ควร รอบรู้ควรกําหนดรู้เห็นไหมไอตัวทุกข์ก็ดีตัวปัญหาก็ดีเนี่ยในกิจของอริยศาสตร์เนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทำว่าคําว่าปริญ ญ, ญาเนี่ยเป็นคุณศัพท์ถ้าว่าโดยนามก็คือเป็นปริญญาปริญญาที่เราจบกันแล้วไปรับออกมาเนี่ยปริญญาศัพท์นี้เป็นชื่อของปัญญาคําว่าทุกข์เนี่ยเป็นหน้าที่ของใจเข้าไปรู้หรือเป็นหน้าที่ของปัญญาเข้าไปรู้ยมว่าเป็นหน้าที่ของอะไรเวลาเจอทุกข์เจอปัญหาเจอความเครียด เยอะว่าเยออุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเราควรเอาใจเข้าไปรับหรือเข้าควรเอาปัญญาเข้าไปรับหรือเข้าไปรู้เป็นหน้าที่ของใจเลยหน้าที่ของปัญญาเห็นไหมทกขังปริญญาหยางเนี่ยทกขังปริญญาหยางอริยสัจจังเนี่ยทกขังอริยสัจจังปริญญาหยางเนี่ยทกขะอริยสัจเนี่ยเป็นความจริงเนี่ยปัญหาหรือตัวทุกเนี่ยตัวอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของใจถ้าเราเอาใจเข้าไปรับปัญหาตูม อะไรตามมามันจะกดทับขัดแย้งกดดันแล้วบีบคั้นขึ้นมาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเราทำหน้าที่ต่อทกผิดใช่ไหมทกไม่ใช่หน้าที่ของใจนี่ทกเป็นหน้าที่ของปัญญารู้ใช่ไหมทีนี้ให้สังเกตดูนะว่าฝรั่งบอกว่าทัศนะของพุทธศาสนาเนี่ยมองโลกกระทัดในแง่ลาย มองลกคือมองอะไรก็เป็นทุกข์เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเนี่ยเลยมีทัศนคติต่อโลกและชีวิตเนี่ยในแง่ร้ายแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์เนี่ยเป็นหน้าที่เป็นกิจของปัญญาที่ก็ไปรู้คําว่าปริญญาไปไปรอบรู้ไปกําหนดรู้ไปทําการรู้จักจับตัวมันให้ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาทีนี้ให้สังเกตดูนะถ้าเราเห็นทุกข์รู้ทุกข์ใช้ปัญญาไปกําหนดทุกข์ไปรอบรู้ทุกข์เนี่ย ตอนนั้นใจเราจะเป็นยังไงใจเราก็ไม่ทุกใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาใจเข้าไปรับรู้ทุกโอ้โหแต่เนี้ยกดดันขัดแยง้งบีบคั้นขึ้นมาทันทีมนุษย์เนี่ยเป็นคนมีพวกเราเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเป็นนักบริหารส่วนใหญ่เนะี่ยร้อยละเก้าสิบเก้าเครียดอันนี้อันนี้คือความจริงนะวัดเมื่อไหร่ก็เครียดเมื่อนั้นแหละแต่จะเครียดมากเครียดน้อยแต่สรุปแล้วก็เครียด เพราะอะไรอ่าทำไมถึงเครียดนะเพราะอะไรไหมเวลาเราเห็นปัญหาหรือเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราเป็นใช้ความสามารถผิดคือเราเนี่ยเป็นคนมีความสามารถนะนักบริหารทุกคนพวกเราทุกคนเนี่ยหรือว่ามนุษย์แทบทุกคนเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความีคำว่ามนุษย์ํำนี้แปลว่าเป็นสัตว์ที่พิเศษคาว่าพิเศษเนี่ยไม่ใช่ดีหรือไม่ดีก่อนนะพิเศษเนี่ยก็แปลว่า เป็นสัตว์ที่มีความพิเศษอยู่ในตัวอย่างที่พระเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้คําว่าฝึกได้เนี่ยนะแปลว่าอะไรรู้ไหมก็แปลว่าจากคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยฝึกให้เป็นคนมีความเชื่อมั่นก็ได้อยากคนที่เป็นคนเกียจค้านฝึกให้เป็นคนมีความเพียรก็ได้ จากคนที่หลงลืมสติฝึกให้เป็นคนมีสติก็ได้จากคนที่ฟุ้งซ่านฝึกให้เป็นคนมีสมาธิตั้งมั่นก็ได้จากคนที่ไม่มีปัญญาฝึกให้เป็นคนมีปัญญาก็ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่พิเศษคือเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วก็ฝึกได้อย่างไร้ขีดจํากัดด้วยจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้หรืออย่างที่คนประสบความสำเร็จในทางโลกเยอะแยะหมดนั่นแหละคือมาจากการฝึกใช่ไหม พอบอกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เนี่ยแปลว่าพระพุทธเจ้าให้อะไรเราให้กําลังใจให้กําลังใจเราจะได้ไม่ต้องขดถู่ท้อถอยว่าเออมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ส่วนอีกประโยคนึงตามมาว่าต้องฝึกอันนี้แปลว่าอะไรถ้าฝึกได้เป็นกําลังใจใช่ไหมถ้าต้องฝึกนี่เป็นอะไรเป็นหน้าที่เอ <laughs> ใช่ไหมเป็นหน้าที่ เออเดีนี้พอจะล่องไหมว่าโอ้จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นสาตร์ที่ฝึกได้เช่นเครียดเนี่ยฝึกให้หายเครียดได้ไหมได้ไม่ได้ได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกฝึกได้ไงใช่ไหมล่ะโกรธเนี่ยฝึกให้หายโกรธได้ <c oughs> ใช่ไหมไม่มีปัญญาก็ฝึกให้เป็นคนมีปัญญาได้ไม่อดทนก็ฝึกให้เป็นคนมีความอดทนได้เป็นต้นแล้วฝึกได้แต่มันสําคัญตรงที่ว่าต้องฝึกเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นหน้าที่นี่แหละใช่ไหม มันต้องฝึกเอาตอนนี้ผมมองตัวนี้ก็คือว่าที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์พิเศษคําว่าพิเศษไม่ใช่แปลว่าดีหรือไม่ดีก่อนแค่ว่าพิเศษกว่าสัตว์อื่นถ้าสัตว์อื่นยกตัวอย่างเช่นสัตว์จระฉานเนี่ยไม่ต้องฝึกเยอะคลอดมาปุ๊บมันวิ่งได้นะเป็ดเนี้ยหัวกวา่าไงคลอดมาวิ่งเลยนะเดี๋ยวเดินก็แก๊กแกลกเดินได้แล้ว เ, ออเป็ดเนี่ยคลอดออกมาลึก ว่แป๊บเดียวแค่นั้นมันลอยน้ําได้เลยนะเนรนกอะไรพวกนี้ยแต่มนุษย์เนี่ยคลอดมาปุ๊บยนลงน้ําตายนะจะไม่ร้องมันต้องฝึกมนุษย์เนี่ยใหม่ๆเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยนะแต่พอฝึกขึ้นมาโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ก่อนเป็นที่ไหนนักบริหารเนี่ยไม่ได้เป็นหรอกแต่พอฝึกนี่แหละเพราะความเพียรความรู้ความสามารถเพราะศักยภาพแล้วก็ว่ากันมาที่สจริงมันยืนอยู่จุดตรงนี้ได้นเนี่ย น, นี่มาจากอะไรเนี่ยมาจากฝึกงั้นพอฝึกได้แล้วดีเลิศ แต่ทีนี้ที่จะพูดต่อคือว่ามนุษย์เนี่ยนอกจากฝึกได้แล้วต้องฝึกแล้วเนี่ยแต่ประเด็นที่นั่นก็คือมนุษย์มักจะใช้ความสามารถในทางที่ผิดคือต้องไหนเช่นเช่นเวลาเราเห็นเราเห็นทน า, ายมมีภรรยาเห็นภรรยาทุกข์เครียดกลุ้มพ่อทุกข์แม่ทุกข์กลุ้ม พ่อมีปัญหาแม่มีปัญหาเกิดภัยพิบัติเกิดไฟไหม้เกิดน้ําท่วมไอ้มันเรื่องนอกตัวจริงนะเนี่ยแต่มนุษย์เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถไปเอาทุกข์ของธรรมชาติเนี่ยมาใส่ไว้ในใจเราได้แล้วก็สามารถปรุงแต่งทุกข์ในใจได้อย่างวิจิตพิสดารอันนี้คือความสามารถของมนุษย์นะซึ่งสัตว์ดิฉานทําได้ไหมสัตว์ดิฉันทาได้นิดหน่อยแต่มนุษย์เนี่ยทําได้มากคือสามารถที่จะปรุงแต่งความทุกข์เนี่ย เช่นโดนด่าโดนตําหนิถ้าเป็นลูกน้องโดนตําหนิโดนด่าแค่ครั้งสองครั้งแค่เนี้ยสามารถที่จะเอาความทุกข์นั้นมาหมุนในใจตัวเองได้เป็นร้อยรอบพันรอบเป็นแสนรอบเป็นล้านรอบก็ได้บางคนหมุนจนเป็นบ้ายกงได้เลยนี่คือความสามารถของมนุษย์ใช่ไหมซึ่งสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้อสุนัในคิดเป็นบ้ามีไหมโว้มันเครียดมากมันกลายเป็นบ้าเนี่ยหรือไปโดดน้ําตายเนี่ยสัตว์เดรัจฉานทําไม่ได้นะแต่มนุษย์เนี่ยทําได้นี่แปลว่าอะไร แล้วมนุษย์เนี่ยใช้ความสามารถในการปรุงแต่งทุกได้เก่งที่สุดจริงไมมเจียงเทียงไหมไม่เทียงเลยเอาเราไปนักนักปรุงไหมนักปรุงแต่งทุกไหมเียนไหมละ่ะ <c oughs> แค่ลูกติดยาโอ้โหหรือหรือมีคำสั่งมาสมมติทางานที่โรงพยาบาลเนี่ยมีคำสั่งมาว่านโยบายเปลี่ยน ต้องอย่างน้อนอย่างนี้ขึ้นมาเออเธอเนี้ยผู้บริหารวิ่งหัวฟูแล้วหัวฟูแล้วเธอเนี้ยแปลว่าอะไรปรุงแต่งวิตกกังวลมากเลยนี้่ใช้ความสามารถผิดแล้วทั้งวิตกกังวลหงอยเหงาเศร้าซึมเครียดทุกข์กระตุ้มเอาเลยสิเนี่ยนี่แปลว่าอะไรทุกข์ของธรรมชาติใช่ไหมทุกข์ของธรรมชาติแท้ๆเลยนะแต่มนุษย์เนี่ย ไปหยิบหรือไปดึงเอาทุกธรรมชาติเอามาเป็นทุกของเราได้เอามาทุกในใจคนได้อีประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งนะให้สังเกต ด, ดูนะว่าวิธีการที่เรามันมีสองกระแสนะกระแสนในใจของมนุษย์โดยส่วนใหญ่เขาเรียกกระแสของตัณหายอมเข้าใจคำว่าตัณหาไหมตัณหาแปลว่าอะไรความทยานอยากชันทะแปลว่าอะไร เดี๋เราต้องเล่นคํากับพวกเรานิหน่งยตัณหาแปลว่าอะไรแปลว่าความอยากใช่ไหแล้วฉันท่าฉันทาแปลว่าอะไรแท้ที่จริงอ่ะสองคำเนี่ยแปลเหมือนกันฉันท่าปรัชนากับตัณหาปรัชนาก็แปลว่าอยากเหมือนกันแต่มนุษย์เราเนี่ยโดยส่วนใหญ่วุ้ยใหญ่ไปอยากนะอยากไม่ได้เดือบเป็นตัณหาใช่ไหมแท้จริงมันอยากดีก็อยากไม่ดีฉันท่าเนี่ยเป็นกุศลละชันทา มันเป็นความอยากความพอใจเหมือนกันแต่ว่าต pues ัณหาก็เป็นความทยานอยากเป็นความพอใจเหมือนกันแต่ม pues yeah kind of ันอยากคนละอยากกันนะตัณหาเนี่ยอยากอะไรอยากได้สุขเวทนามาตอบสนองอัตราตัวตนไอ้ตัวตัตัวฉันทานนี่ไอ้ตัวตัณหานี่เนี่ยกระแสของความอยากกระแสของตัณหายกตัวอย่างเช่นเราอยู่ตรงเนี้ยนะถ้าโยอมมีความอยากว่านะมีความอยากมีความต้องการนะ อยากจะให้อากาศข้างนอกมันสามสิบองศาใช่ไหมแต่ความจริงมันคือสมมุติมันยี่สิบห้าสมมตินะแต่จริงก็คือประมาณนั้นยีิบเก้าหรือเกือบสามสิบเอานี้ดีกว่าสมมุติเราต้องการอยากให้อากาศข้างนอกยี่สิบห้าองศาแต่ความจริงคือสามสิบธรรมชาติคือสามสิบถ้าเราต้องการแบบนี้มีความอยากมีความต้องการอย่างเนี้ย ถ้ากระแสะของความอยากกับกระแสะของเหตุปัจจัยหรือกระแสะความจริงไปปะทะกันกระทบกันเมื่อไหร่กระแสะไหนชนะกระแสะความจริงชนะกระแสะไหนแพ้กระแสะของตัณหาแพ้แล้วใครเป็นทุกข์ตัณหาที่เกิดในเราได้เป็นทุกข์ใช่ไหมเอาททนี้เราเราอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีเราอยากให้สามีเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างที่เราต้องการ เช่นอยากให้สามีเราเป็นคนที่พูดพร้อมแต่ความจริงคือเขาพูดไม่พร้อมอยากให้สามีของเราเนี่ยเป็นคนที่กลับบ้านตรงเวลาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนกลับบ้านผิดเวลาแล้วอยากให้สามีเราเนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลจำแม้กระทั่งวันเกิดเราก็ได้จำวันแต่งงานก็ได้จำไปวันฮันนีมูนก็จำแต่เจ้านี้ขี้ลืมไม่สนใจหรอกความจริงเป็นอย่างนั้น เมื่อเราอยากเราต้องการเนี่ยกระแสะของความอยากกระแสของต้องการไปกประทบกระกับกระแสะของความจริงกระแสไหนชนะกระแสะความจริงแล้วใครทุกข์เราก็ทุกข์เพี้ยนไหมนี่แปลว่าเราเนี่ยมีทัศนคติต่อโลกเรามีความอยากมีความต้องการอยากให้โลกและชีวิตตามตามใจที่เราอยากให้มันเป็นยอมเป็นแบบนี้กันเยอะไหม ทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าและถ้าเราต้องการถ้าต้องการบอกว่าต้องการให้บริเวณเนี้ยี่สิบห้าองศาทั้งๆ ท, ท, ที่มันสามสิบเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมได้หรือไม่ได้เราสามารถที่จะไปทําธรรมชาติเนี่ยให้ลดลงมาเหลือยี่ส้าองศาได้ตามความอยากความต้องการของมนุษย์ได้ไหมได้หรือไม่ได้ยอมไม่ได้หรือไม่ได้อไดอไไดเอากั้นห้องสี่เหลี่ยมแล้วติดแอร์ได้ไม่ได้ ได้จริงๆนี่เขาเรียกความสามารถถึงเขาจยังความความสามารถมันถึงมันทำได้นี่ก็เหมือนกันในกรณีที่เราอยากจะเป็นนักบริหารอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะจัดการใดๆเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ความสามารถไอ้ความสามารถมาได้เพราะอะไรเพราะปัญญาใช่มซึความสามารถมาได้ด้วยปัญญาไม่ได้มาได้ด้วยฟุกนั้นปัญญาถึงไหมรอบเลยไมไอ้คำว่ารู้ชัดเนี่ยรู้รอบ รู้ลึกรู้โดยประการต่างๆไหมถ้ารู้ชัดรู้รอบรู้ลึกรู้โดยประการต่างๆรู้ทั้งตัวปัญหารู้ทั้งเหตุของปัญหารู้ทั้งตัวแก้ไขปัญหาวิธีการที่เข้าถึงการแก้ไขปัญหาได้ด้วยแล้วก็กระบวนการวิธีการทั้งหลายที่จะไปจัดการเข้าถึงการดับปัญหาได้อย่างแท้จริงถ้ามันรู้ครบวงจรได้มันแก้ได้หมดใช่ไหมมนุษย์เราเป็นอย่างนี้ประเด็นก็คือนี่แหละถ้าปัญญาไม่พอปัญญาไม่ถึงอันนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ นี่เริ่มจะมองเห็นไหมว่าเอาละทีย้อนกลับมาใหม่การที่เรามีทัศนคติมีความต้องการว่าต้องการอยากให้โลกและชีวิตตามใจที่เราอยากให้มันเป็นไอตัวนี้แหละคือปัญหาแล้วปัญหาตรงไหนปัญหาตรงที่เราเกิดความต้องการอยากจะบังคับกดเกณฑ์ให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามใจที่เราอยากให้มันเป็นเช่นคนคนนี้พูดไม่เพาะเราอยากให้เขาพูดเพราะ อย่าไปลองอยากห้พูดเพราะเนี่ยแต่วิธีการเนี่ยการไปแก้ไขที่เหตุปัจจัยเราเราเราไม่เป็นแล้วก็ใช้ทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่เอ้ามันคุยกันไม่รู้เรื่องก็ใช้กติกาตั้งแล้วเนาะมันก็ได้เหมือนกันใครมีอำนาจมากกว่าก็เขียนกติกาใช่ตรงนี้นะที่ต้องการนำเสนอตรงนี้ก็อยากให้พวกเราได้เข้าใจประเด็นตรงนี้ว่าเนี่ยโดยหลักก็คือว่า เมื่อสักครู่พูดถึงว่าตัวปัญหาตัวทุกข์นั้นกระแสของความต้องการของเราเนี่ยในกระแสของความอยากเนี่ยกับกระแสของเหตุปัจจัยเนี่ยถ้าไปประทากันเมื่อไหร่คนที่มีความต้องการมากก็จะทุกข์มากถ้าต้องการขนาดกลางก็จะทุกข์ขนาดกลางถ้าทุกข์น้อยต้องการน้อยความทุกข์มันก็น้อยลงไปด้วยใช่ไหมล่ะ เพราะความอยากความต้องการทั้งหลายมันมาด้วยความยึดถือด้วยความยึดมัน่นฉะนั้นเมื่อไป ป, ะ, ปะทา ก, กันขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าแพ้แพ้ที่ไรก็ทุกข์ก็เครียดก็กุ้มหลายๆคนเลยแก้ปัญหาด้วยการหลบเมื่อวานเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาปฏิบัติทรรมแล้วตอนนี้ถามว่าทำยังไงคือผมลดปริมาณความต้องการลง และอย่างหนึ่งเวลาเจอทุกเจอปัญหาเนี่ยผมไม่รับรู้มันเ ย, ยอมว่าดีไหมก็คืออย่าไปรับรู้มันผมว่าเราอยู่ในหน่วยงานเนี่ยมันมีปัญหามากๆแล้วก็อย่าไปรับรู้มันรับรู้ส่วน น, น้อยๆก็ว่าเช่นมันมีปัญหาเ อ, อประมาณห้าสิบอย่างเนี่ยถ้าเราจะไปรับรู้ทั้งห้าสิบอย่างเราก็ทุกตายเลยใช่ไหมก็รับรู้แค่สิบอย่างไอ้สี่สิบอย่างก็ปล่อยทิ้งมันไป อยอว่ า, าวิธีอย่างนี้ใช่แก้แกับแก้ปัญหาไหมใช่ไม่ใช่เอาวิธีการที่จะแก้ควรทายัางไงมันรับรู้ไม่ไหวอ่ะพอเข้าไปรู้ถึงห้าสิบเนี่ยมันเครียดมันก้มมันทุกขอ่ะก็ขอรู้เพียงแค่สิบอย่างพออีกสี่สิบอย่างก็ปล่อยทิ้งไปห้าสิบอย่างก็ปล่อยทิ้งไปถ้าวิธีการแบบนี้เคยใช่ไหมเช่นในบ้านเนี่ยโอ้โหเครียดเหลือเกินเนี่ยลูกคนนั้นก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหาภรรยาก็บ่นเก่ง อยากกันนั้นเลยอย่าเถียงมันเฉยๆก็ทำทีไม่ได้ยินบ้างยอมไ้แก้ปัญหาแบบนี้มั้งคือเขาบ่นๆเขาปล่อยปะเดี๋ยวสัพกพักก็เขาเหนื่อยเขาหยุดเองเคยไหมวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ได้ผลไหมได้ผลใช่ไหมได้ผลตรงไหนอ๋อได้ผลในั้า น, นจิตใจ มีเงินยอมยอมวันนี้เหมือนกันก็ารถเวลาคนรถขับรถไปปุ๊บเนี่ยรถมันติดก็อย่าไปมองมันหลับตาซะเลยนอนหลับสนิทไม่สนใจติดก็จังหวะจะมองก็จังหวะรถมันติดเนี่ยอย่าไปดูถ้าดูแล้วเครียดท่นเออวิธีอย่างนี้เป็นการแก้ปัญหาได้ไหมเคยใช้ไหมวิธีเนี้ยยกมือดิวิธีใช้แบบเนี้ยอยากดูแล้วก็ลองใช้วิธีเนี้ย ใครไม่ใช้วิธีนี้ประเชิญหน้าเลยะใช้แบบประชิญหน้าบอลทำไมมันติดเื่อเกินอะไรต่างแนีน้ใช้วิธีไหนจริงที่จริงวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำเราคิดเองทำเองนะวิธีนี้นะแล้วเราก็สบายใจเราเองตามสถานการณ์นั้นๆที่เราทำอ่ะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิธีนี้ พระรุยาบอกว่าทุกเนี่ยปัญหาเนี่ยใช่ควรรอบรู้ควรรู้จักควรจับตัวมันให้ได้เห็นไหมอันนี้แปลว่าวิธีอะไรเนี่ยประเชิญหน้าไหมไหวไม่จะบอกประเชิญหน้าการรบเนี่ยมีสามวิธีเนาะหนึ่งการรบแบบประเชิญหน้าใช่มประเชิญหน้าเลยวัดกำลังกันเลยการรบนี่นะ สองการลบแบบถอยทับยอมเคยได้ยินไหลบไปถอยไปลบไปถอยไปประการที่สามลบแบบกองโจนยมชอบวิธีไหนส้มตีอ่ะส้มโจมตีเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคทั้งหลายจะยอมใช้วิธีไหนแบบประจันบานประจันหน้าเลยไหมใช้วิธีนั้นไหมหรือแบบถอยทับหรือแบบกองโจน ตาต่อตาฟันต่อฟันนี่ไม่เคยใช้ใช่ไหมอันนี้ฉันพูดถึงการลบข้างนอกเขามันมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าพระเจ้าประเิทธิที่กลัวสนเนี่ยเปลบที่ไรแพ้พระเจ้าชาติตูศัตรูทุกทีเลยลบก็แพ้ลบก็แพ้ไม่สามารถชนะพระเจ้าชาติศัตรูได้ใช่ไหมในสมัยครั้างพุทธกาลเนี่ยก็มีการยกกองกําลังเข้าใส่กันแต่นี้พระเจ้าอาชาติศัตรูก็บอกอืห ทำยังไงเนี่ยไม่สามารถจะห า, ายวิธีในการที่จะแก้ ก, การลบได้เลยทีนี้คนยุค ก, ก่อนเนี่ยคนฉลาดฉลาดก็ไปบวชหมดในยุคนั้นระดับแม่ทัพนายกองคนที่วางแผนการลบระดับผู้นำประเทศทั้งหลายโว่ออกบวชเยอะมากในยุคนั้นที่พุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาใช่ไหก็ได้ส่งส่งส่งสปายสายลับเข้าไปในวัดเชดดวันลองพปซุ่มๆดูทีว่าพระเขาจะคุยเรื่องอะไร ีก็มีพระหลวงตาที่เคยเป็นแม่ทัพนายกองเดินเดินจงกรมอยู่เดินไปเดินมาเดินไปท่ามาเจ้าเอกันท่านก็เลยคุยเอ๊ะทราบข่าวว่าพระเจ้าเปอร์เสซนที่โกศลกับพระเจ้าชาตูยกกองกําลังไปลบกันเห็นว่าได้ข่าวพระเจ้าชาตูน่พระเจ้าเปอร์เสซนที่โกศลแพ้มาสามรอบแล้วภายกลุ่มหนึ่งก็อ๋อแงอยู่แล้วพระเจ้าเปอร์เสซนที่โกศลจะมีอะไรเขาเรียกว่าเมื้อนี่แต่กินกินนอนๆอนแติปบัญญาน้อย ไม่ฉลาดในการลบวิธีการนี้ก็ไม่ได้ทําแบบนี้ก็บอกวิธีการว่าการลบต้องทําอย่างไงสปายก็มาบอกพระเจ้าปรเสนีย์โกศลว่าพระดาท้านนะบอกไม่เป็นไล่เ ร, เรื่องดาวสามหน่อยว่าพระจะบอกวิธียังไงก็เลยเอาวิธีของพระไปแล้วก็จัดการแล้วก็ลบชนะจับพระเจ้าเจ้าติสูได้กิวินตนนุลิเห็นไหมไอ <c oughs> ตรงเนี้ยเนี้ยผู้ที่ดูจริงๆก็คือมันเรื่องเดียวกันกับเรื่องปัญหา อันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าปัญหาเนี่ยเวลาอุปสรรคและปัญหาในทัศนะทางคําสอนของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าสอนให้ฝึกฝนพัฒนาตุกปัญญาให้อปัญญาไปรู้จักปัญหาพอรู้จักปัญหารู้ตัวปัญหารู้อุปสรรคแล้วก็ไปสาวหาเหตุของปัญหาอย่างที่วหมอนี่แหละเวลาไปเรียนในเรื่องของการที่จะรู้จักโรคตัวปัญหาตัวโรคเนี่ยก็ไม่ได้ไปเรียนที่ตัวโรคโดยตรง ก็ไปเรียนนน้นสรีละเคยกายวิภาคเคยไปเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นที่ตั้งของตัวโรคต้องเรียนรู้ทั้งหมดหมดให้ชั้นใดนี่เหมือนกันตัวปัญหาเรื่องภาษาเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้หลอกใช่แต่เพียงว่าให้ใช้ปัญญาเนี่ยเขาไปรู้ปัญญาก็ไปรับ พอปัญญาก็ไปรับแล้วคือลักษณะใจของเราให้สังเกตดูนะถ้าปัญญาไม่เกิดเวลาเราคิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยมันตันนะอย่างยกก็อย่างเช่นเราเดินทางเนี่ยเราจะกลับนครพนมย่อยหมอแต่เราไม่รู้ทางไม่รู้ทางจะไปเลยเนี่ยขับรถวนนะตอนนั้นจิตมันเป็นยังไงจิตมันก็ติดตันเนี่ยติดตันมันก็อันแต่พอรู้ทางพบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันโล่งเลยนี่เนี่ยคือปัญญามันมาจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นั้นปัญญามันจะมาพร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจ นี่เหมือนกันเวลาเจอปัญหาเรืศาศา่องภาษาทั้งหลายพระพุทธเจ้าต้งบอกว่าให้เอาปัญญาเข้าไปรู้ได้อย่างหนึง่งพอพูดถึงอริยาศาสตร์เนี่ยพูดให้ชัดลงไปเลยนะว่าพูดให้ครบสี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจประเด็นชัดขึ้นหนึ่งทกุกจะไหมไหมทุกนี่คือตัวปัญหาถามถามพวกเราก่อนว่าอริยาศาสตร์เนี่ยใช้ได้ในทุกเรื่องไหมแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องหรือไม่นี้ต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้ก่อนถ้าเรามั่นใจว่าอริยาศาสตร์เนี่ยใช้ได้ทุกเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องการปลุกระดมขอไปเนี่ยนี่ไม่ใช่พาม า, มาพูดไดอยางยกตัวอย่างเช่นเขาจะปลุกระดมชมนมเนี่ยเขาชี้อะไรก่อนเขาชี้ปัญหาไม่ได้เรื่องแล้วตอนนี้ประเทศชาติจะล่มจมใช่ไหมอันนั้นก็พูดถึงทุกใช่ไหมพูดถึงตัวปัญหาใช่ไหม เนี่ยเออเนี่ยประเทศชาติมันจะล่มจมแล้วมีคนไม่ดีมากองบ้านกินมันก็ว่ากไปใช่ไหมนี่เนี่ยแม่นี่เนี่ยเนี่ยพูดถึงตัวปัญหาเอาเหตุที่มันเป็นปัญหาประเทศชาติมีปัญหาเพราะอะไรเพราะมีเนี่ยไอเหตุก็อก็อเนี่ยเป็นผู้ทําให้บ้านเมืองเป็นนี้นี่เลยสาวไปที่ไหนที่เหตุเอ้าววางจุดหมายยังไงเราจะแก้ปัญหายังไง สมัยโบราณสมัยเมื่อสิบสี่ตุลานี้ยุมนั้นก็ฟ้าสีทองของอัมพายนี่จุดหมายมีโลดใช่ไหมเราจะไปถึงฟ้าสีทองของอัมพายเอาวิธีการก็คืออะไรมัอาจจะปฏิบัติการยังไงที่จะเข้าไปถึงฟ้าสีทองสองของอัเห็นไหมเนี่ยอริยศาสตร์เนี่ยใช้ได้แม้ก็ได้ทั้งเรื่องเรื่องแบบนี้ยังใช้ได้ใช่ไหมล่ะแม้พวกเราเป็นนักบริหารถ้าเราจับอริยศาสตร์สี่เนี่ย มาจับประเด็นให้ได้ใช่ไมเนื่องทุกปัญหาเนี่ยตัวปัญหาต้องแก้ไขใช่ไหมต้องรอบรู้ต้องรู้จักต้องจับตัวมันให้ได้นี่ตัวปัญหาโดมภาษสองสมูทัยคือเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดปัญหาทว่าโดยตามหลักการของธรรมะเขาเรียกว่าความโลภความโกรธความหลงตัณหามานะทิชชีเนี่ยไอ้นี่คือตัวปัญหาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรทุก ขัสมุทยา อ, อริยสัจังปหาตะพังต้องปะหารต้องละัมต้องกําจัดให้ได้นี่คือตัวปัญหาใช่ไหมทุกวันรอบรู้วันรู้จักจับตัวมันให้ได้สมุไทยเขตของปัญหาเหยียดกังทุกต้องจัดการแก้ไขต้องลัละใช่ไหมต้องปะหาปรปหาตะพังเลยต้องลักแต่เรายังไม่ต้องไปทําอะไรมันก่อนเนะเพียงรู้กับเพียงให้รู้จิตก่อนนี่คือความควรรอบรู้ ประการที่สองควรลา2 2> ควรประหารควรจัดกา ร, การแต่ยังไม่ต้องไปจัดการอะไรมันประการที่สามนิโรธอันนี้เป็นจุดหมายควรรู้ถึงควรทำให้ประจักษ์แจ้งขึ้นมาให้ได้อันนี้เป็นจุดหมายเป็นการวางจุดหมายร่วมกันประเทศไทยเราเนี่ยขาดอะไรทำไมถึงพัฒนาเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าสองเก้าถอยห้าเดินหนึ่งเก้าถอยสี่เพราะอะไรขาดอะไร ขาดนิโรธขาดจุดหมายาไม่มีจุดหมายร่วมกั น, ใ, นใช่ไหมล่ะในองค์กรใดก็แล้วแต่ไม่ได้สาไม่วางจุดหมายร่วมกันจะวางเป้าหมายวางนิโรธว่าเราจะไปถึงจุดหมายนั้นจะรู้ถึงให้ได้เราจะเพียรพยายามเข้าไปถึงจุดหมายนั้นใได้ถ้ามีจุดหมายร่วมอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าจุดหมายร่วมก็มคือว่านิโรธประการที่สามก็คือมรรคมรรคศาสตร์เนี่ยทุกขันยิโรทศามีปฏิปทา อริยสัจอยางพาเวตาพังภาเวตาพังก็คือลงมือทาลงมือปฏิบัติข้นทางที่จะเข้าไปถึงจุดหมายก็คือถึงนิโรธที่เองสรุปแล้วก็คือทุกคนกำหนดรู้ควรรอบรู้เราต้องทำอะไรกับมันไหมไม่ต้องสมุทัยเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดปัญหาเราต้องทำอะไรกับมันไหมกิจหน้าที่คือประหารคือลาแต่เราก็ยังไม่ต้องไปทำอะไร นิโรธคือจุดหมายควรรู้ถึงควรประจักษ์แจ้งก็ยังไม่ต้องทําอะไรมาใช่ไหมข้อที่ควรลงมือทําข้อไหนข้อมาร์คข้อเดียวก็เลยทำข้อเดียวก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นตัวมาร์คเนี่ยก็คือทําปัญญาให้เกิดขึ้นทาความกำลิบให้ถูกต้องให้เกิดขึ้นฝึกพฤติกรรมทางกายทางวาจาเป็นต้นแล้วก็ทางใจก็คือความเพียรชอบสติหรือสมาธิก็ว่ากันไปสรุากก็คือหลักของ ศีล ส, สมาธิปัญญาหลักการปฏิบัติหลักการลงมือทามาอยู่ข้อมัดข้อสุดท้ายข้อเดียวแต่พวกเรานี่ไปทำผิดข้อเช่นเช่นอ้าวพอเราเห็นพอเราไปเจอปัญหาเจออุปสรรคโตขึ้นมาเราใช้ข้อไหนเวลาเครียดเนี่ยใช้ข้อไหนใช้ทุกสมุทัยนิโรธหรือใช้มัด ใช้สมูทไทยไงสมูทไทยไงโลคโกรธหลงเนี่ยความเครียดความวิตกกังวลหดหูท้อถอยเขาจะให้ยังแค่เราเราใช้อริยศาสตร์ผิดข้อข้อนี้ควรละไม่ใช่ควรเจริญใช่ไหมโลคเนี่ยควรละโกรธเนี่ควรละหลงเนี่ควรละอิจฉาลิษยาเนี่ควรละใช่ไหมล่ะพดหูท้อถอยความไม่เชื่อมั่นโดยเองเนี่ย ความหดหู่ท้อถอยความลังเลสงสัยความไม่ขยันเนี่ยความเกียดคร้านเนี่ยความเลอะเลือนเนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ยความไม่รู้เนี่ยไอตรงนี้เป็นสมูทัยเพรั้นเจอปัญหาที่ไรเจออุปสรรคทีไรดําเนินชีวิตทีไรเราใช้ข้อไหนกันแน่เนี่ยทุกสมูทัยที่หลดมาร์กใช้ข้อไหนก็ทําให้ถูกแล้วต้องทําข้อมาร์กข้อที่สี่ แต่ในชีวิตของเราที่เราเครียดเรากลุ่มเราทุกเราวิตกกังวลเนี่ยเราไปใช้ข้อสองเนี่ยกเรียกผิดข้อใช้อารยศาสตร์ผิดข้อพอใช้อารยศาสตร์ผิดข้อนี่ยุ่งแล้วดิตัวเนี้ยหน้านิ้วคิ้วเขาหมดเริ่มมองเห็นนี่ยังจริงๆก็คือเราต้องใช้ข้อที่สี่เดี๋ยวอีกรอบเนี้ เนี่ยนึกว่าพูดดีเรามาจะพูดบริหารไม่มีใครรู้เราพวกเรารู้ชัดปิดห้องนั่งคุยกันดีเลยยังไม่ใค่อยเข้าใจใช่ไหมโยอ๋อเครียดเนี่ยเป็นตัวสมุทัยสัจจะเป็นอริยสัจข้อที่สองเพราะความเครียดความไม่ตกกังวลความกัดกรุ้มความอยากความกลัวทั้งหลายเนี่ยเป็นกลุ่มของตัณหาถ้าอย่างตัณหามีสามอย่างไงโย หนึ่งใช้สับหน่อยนะถ้าอยากได้เนี่ยอยากได้อยากต้องการเอาสีที่สวยๆแลเสียงที่ฟอฟอฟกลีดที่อมหอมเป็นต้นต้องการอยากจะได้เอามาบำรุงบำเลอตนเองอยากได้ยศถาบรรดาศากดิ์อยากได้รับการยอมรับรับอยากเด่นอยากดังอะไรก็แล้วแต่ที่ในทางที่ไม่ไม่ไม่ชอบทำเนี่นะต้องการอยากจะเอามาตอบสนองบำรุงบำเลออัตราตัวตนอย่างนี้เขาเรียกการมติหาแล้วอยาก อยากให้มันมั่นคงให้มันถาวรย่อมยอมยากให้สถานภาพของกระดิงมั่นคง อ, งอยากให้มีตำแหน่งอยู่อย่างนี้ตลอดไปไหมหรืออยากขยับขึ้น <laughs> อยากให้ขยับยอมตำแหน่งที่เราได้จะเป็นอ น, บบนิจจังไหมเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราอยากให้เป็นอนิจจังขาลงหรือขาขึ้น ถ้าขาลงก็คือจากเป็นหัวหน้าลดลงเป็นรองหัวหน้าจากรองหัวหน้าเป็นผู้ช่วยจากผู้ช่วยเป็นลูกน้อ ง, องแล้วอยากให้มันเป็นอันนี้จำขาลงหรือขาขึ้น <c oughs> อยากให้เป็นขาขึ้นใช่ไหมอันนี้จำมีสองส่วนยอมใครใครกล้เกษียณแล้วยกมือขมีใครใครกล้เกษียณไหมมีไหมไ ม, ไม่มีใช่ไหม ฉันอันนี้จังเนี่ยมีสองส่วนนี่ไหมยอมว่าอันนี้จังนี่ดีหรือไม่ดีเดี๋ยวทความเข้าใจก่อนความแก่ดีไหมความแก่ดีไหมความเจ็บดีไหมความตายดีไหมดีได้ไงแล้วมันแก่เนี่ยมันก็ใช่ไหมอันนี้จังมีสองส่วนอันนี้จังขาขึ้นก็ได้ขาลงก็ได้เช่นเช่น ตำแหน่งเราเนี่ยถ้าเป็นอนิจจานขาขึ้นโอ้โหมันขึ้นพุทธพุทธพุทเลยใช่ไหมไม่เที่ยงได้แหละถ้าอย่างนี้ชอบแต่อายุหรือความแก่ของเราเนี่ยความเก็บต่างหลายเนี่ยใช่ไหมจากการที่อายุยี่สิบห้ามันก็ไม่เที่ยงมันขึ้นมาเรื่อยยี่สิบหกยี่สิบเจดสมสิบสามไปเลยห้ขาสิบกสิบเนี่ยนี่มันอย่างนี้จังงาขึ้นในกระแสชีวิตเนี่ย นี่ยอั น, นิีจังมันมีสองส่วนถ้าเป็นอ น, นิีจังขาขึ้นมันก็ดีฉะนั้นเพราะความไม่เที่ยงนี่แหละมนุษย์จึงประสบความสําเร็จในชีวิตได้จึงบรรลุจุดหมายปลายทางได้ไดก็เพราะความไม่เที่ยงนี่แหละมนุษย์จึงล้มเหลวได้มันแล้วแต่เราจะให้เหตุปัจจัยอะไร ถ้าให้เหตุปัจจัยให้ความไม่เป็นอ น, นิจจังขาขึ้ น, นกระแสชีวิตมันก็วิ่งขึ้นขาขึ้นถ้าไปให้เหตุปัจจัยผิดพลาดขึ้นมามันก็เป็นอ น, นิจจังขาลงใช่ไหมล่ละหลักการมันเป็นอย่างนี้ก็เหมือนศรัทธาเนี่ยความเชื่อมั่นในตนเองเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไงพระเจ้าบอกว่าให้พวกเราเนี่ยมีความเชื่อมั่ น, นเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในศัตรยภาพของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่ถ้ายังไม่เชื่อทํำยังไงก่อน ยังไม่เชื่อก็ให้เอาความเชื่อไปฝากไว้กับปัญญาของพุทธเจ้าก่อนเขาเรียกตถาคตโพธิสัต t าคือเชื่อมั่นปัญญาต่สรู้ความจริงของพุทธเจ้า ว, ว่าพุทธเจ้าเนี่ยจากมนุษย์ธรรมดาพระุทเจ้าฝึกตนเอง ใชฝึกตนเองพัฒนาตนเองทุกด้านทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจโดยเฉพาะทางด้านปัญญาจนสามารถทําปัญญาเกิดขึ้นเป็นสัมมาสัมพุทธาเป็นต้นได้นี่จากมนุษย์นุธรรมดาเนี่ยฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้เพรางั้นเธอแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เอาศรัทธาของเราเนี่ยไปฝากไว้กับปัญญาของพระพุทธเจ้าก่อนอันดับแรกเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเชื่อมั่นปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไปฟังนะ ฟังข้อมูลในพระเจ้าพัฒนาศักยภาพตระกองอย่างไรพอไปดูข้อมูลที่พระเจ้าเปิดเผยบอกวิธีการไม่ต้องล้องผิดอย่างที่พระเจ้าทำเพราะผิดในพระเจ้าทดลองมาแล้วว่าไม่ควรทำยังไงเยอะแยะหมดแต่วิธีการที่ถูกมีบอกไว้ทำให้ง่ายทาให ไม่ลำบากในการที่มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยได้เห็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมาฝึกตนเองพัฒนาตนเองได้เนี้ยเมื่อเราศรัทธาในปัญญาของท่านแล้วก็ฟังปัญญาข้อมูลของท่านแล้วเราก็เลยได้ปัญญาพอได้ปัญญาเราก็เกิดเอาปัญญานั้นเอาความเชื่อมั่นมาเชื่อมั่นตนเองว่าพพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝึกได้ พอบอกมนุษย์เป็นสัที่ฝึกได้หรืเอเกิดความเกิดกำลังใจแต่ก่อนเรานึกว่าฝึกไม่ได้พอว่าฝึกได้จากคนไม่มีศรัทธาฝึกให้มีศรัทธาได้ไม่มีความเพียรฝึกให้มีความเพียรกป้ากล้าได้หลงลืมสติฝึกให้มีสติได้ฟุ้งร้านฝึกให้มีสมาธิได้ไม่มีปัญญาฝึกให้มีปัญญาได้พอมีกำลังใจอย่างนี้พวกมา พระเจ้าบอกต้องฝึกเออเนี่ยเป็นหน้าที่แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตามที่พระ อ, องค์บอกในส่วนจริงเราก็ได้เข้าถึงศรัทธาเข้าถึงความเพียรแล้วก็เข้าถึงปัญญาเข้าไปรู้ความจริงตามท่านอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็าเรียกว่ามีแต่ฐาคตโพธิศรัทธาแต่ถ้าไม่มีตรงนี้นะยกตัวอย่างเช่นโอ้พระพุทธเจ้าสุดยอดดีอย่างนู้นดีองนีสารพัดแต่พอบอกโอ้ฉันทําไม่ได้ อย่างนี้เขาเรียกไม่มีศรัทธาไม่มีถมม ต, าตมมถาคตโ<ถ>พอที่ศรัทธาเพราะถ้ามี ต, าตมถาคตโพที่ศรัทธาต้องเชื่อมั่นมนุษย์ท่านแรกที่ตัดสรู้ได้ตัสรู้รความจริงได้แล้วก็ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวแทนของมนุษยชาติทั้งโลก ว่าจะประสบความสําเร็จได้ได้เพี้ยวเลี้ยวแรงด้วยความเพียรด้วยวิธีการที่ถูกต้องอย่างไรพระองค์ทำให้ดูเราก็เลยมาทําตามปฏิบัติตามแล้วเราก็ได้เข้าถึงปัญญาเข้าถึงความจริงตรงนั้นเราก็เลยได้เนี่ยอย่างนี้ก็เรามีมีความเชื่อมั่นแต่เหมือนบางคนบอกว่าเอออย่างยกตัวอย่างเมื่อวานนีบอกว่าเออเนี่ยคนนี้เขาทําได้โอ้เขาทําได้แต่ฉันทําไม่ได้ เห็นมเนี่ยถ้าอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นคนไม่เชื่อมั่นตนเองแล้วก็ไม่เชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์ถ้าเชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่พิเศษสันที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยเนี่ยสามารถที่ฝึกผลพัฒนาตัวเองได้อย่างนี้เปต้นเอาแล้วตอนนี้เมื่อกี้ก็คือผู้ให้เห็นว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของอริยสัจให้ชัดๆนะเมื่อสักครู่ยอมถามว่า ความโกรธความหดหูความเครียดความวิตกกังวลมันเป็นข้อสองคือสมุทัยนี่แปลว่าเราเดินอริยสัจผิดข้อเดินอริยสัจผิดข้อเพราะถ้าเราจับคู่กันนะทุกนี่เป็นผลใช่ไหมทุกเนี่ยปัญหานี่เป็นผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุ สมุทัยเป็นเหตุเมื่อเราให้สมุทัยเกิดในกระแสชีวิตเราสมุทัยคือความโลภความโกรธและความหลงที่เกิดในกระแสชีวิตเราจะนำพาไปหาอะไรจะทำให้เกิดอะไรก็ทำให้เกิดทุกข์สิแสดงเราสร้างเราให้เหตุคือสมุทัยเราก็ได้ทุกข์เนยได้ทุกข์ได้ปัญหาได้อุปสรรคได้สิ่งคับคล้องเต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหมเพราเราสร้างเอง เช่นเราไปเจอปัญหาเจออุปสรรคปุ๊บมันเป็นธรรมชาติไหมทุกนี่เป็นธรรมชาติใช่ไหมเช่นปัญหาในองค์กรเป็นธรรมชาติไหมปัญหาในองค์กรปัญหาในหน่วยงานอุปสรรคในองค์กรอุปสรรคในหน่วยงานทั้งหลายเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นทุกข์ธรรมชาติแต่ถ้าเราไปมองด้วยตัณหาคิดด้วยตัณหาไปรับรู้หรือไปเสพด้วยตัณหาเราก็เอามาเป็นปัญหาในใจเรา เอามาเป็นความกัดรูปมอามาเป็นความกลัวความหดถู่ท้อถอยอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราดึงทุกข์ของธรรมชาติมาใส่ไว้ในใจของค น, คนทีพย์พอมาใส่ไว้ในใจของคนตอนนี้ตัณหามันปั่นบวนในใจของเราแล้วทิพี์ปัญหาตัณหามันสร้างเหตุสมุทัยมันสร้างเหตุของมันสร้างไปหาอะไรไปหาความทุกข์กความเดือดร้อนไปหาอุปสรรคเห็นไหมเราไปสร้างเหตุของทุกข์ไปสร้างเหตุของปัญหา อันนี้แปลว่าเราแก้ปัญหาผิดแ เ, เล่วเ็นได้ยางแล้วเราควรทำยังไงตอนนี้ยอมพอจับประเด็นได้ยังเริ่มได้หรือยังที่ผ่านมาเราใช้ข้อไหนในการดำเนินชีวิตทุกสมุทัย น, นิโรธมากใช้ข้อไหนโดยมากเราใช้ข้อสองความจริงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเอาถ้าไปสมมุติกลับบ้านไปขอภัยภรรยาบน่น ตำหนิเราตั้งแต่หัวจดท้าสมบูรณ์นะพอไปตอนนั้นเราจะใช้ข้อไหนเนี่ยอริยสัตจใช้ข้อไหนเราเครียดกับเขาด้วยไหมเว่าถ้าเขาด่าเราเขาบ่นเราเขาตำหนิเราเครียดไหมไหมถ้าเครียดเราแปลว่าเราใช้ข้อสองแล้วเราควรทํำยังไงยิ้มหน้าละลื่นเฉยเฉยมีสองเฉยนะโยมนะ เฉยมันสองเฉยนะเฉยแบบอันยานุเปกขาก็ได้ใช่ไหมเฉยแบบอุเบกขาอุเบกขาเฉยแบบโมหะก็ได้เฉยแบบไม่รู้เรื่องไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นปล่อยปาล่าเลยก็ได้ใช่ไหมเฉยแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่เฉยที่เป็นอุเบกขาถ้าอุเบกขาแปลว่าอะไรแปลว่าสัดโลกเป็นไปตามกรรมใช่ไหม คำว่าอุเบกขาเนี่ยเขารักษาธรรมะเขาไม่หวั่นไหวจะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยอดเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์จิตใจก็ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหววางใจเป็นกลางว่าสัตว์ทั้งหลายทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ต้องรับผลของกรรมนั้นทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วถ้าเฉยมันเฉยอุเบกขามีปัญญากำกับใช่ไหมเราเคยเข้าถึงไหมอุเบกขาประเภทเนี้ยสัมมาตาประเภทเนี้ถึงหรือไม่ถึ ง, ถง <laughs> ถ้าเฉยแบบโมหาบอกไม่สนใจไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยปล่อยป่าละเลยไปเลยอย่างนี้อย่างนี้นไม่เด้หนึ่งนะพอมองเห็นนี้อยนน่าง น, นั้นกรณีแบบนี้ออถ้าเป็นหมอโ อ, อฉยฉพาพวกเราเป็นหมอเวลาเห็นคนไข้ <c oughs> เห็นคนเจ็บป่วย <c oughs> มาที่โรงพยาบาลเป็นต้นเราควรเดินพรหมวิหารข้อไหนเมตตากรุณามุทิตาหรือเวขา อาใครเมตายกมือขึ้นอยากดูหน่อยอยากดูระดับผู้บริหารน่ยใครใช้กรุณายกมือขึ้นใครใช้มุทิตายกมือขึ้นพอยินดีที่เขาป่วยใครใช้อเบขายกมือขึ้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม <c oughs> ใช้ข้อนไหนสรุปแล้วอ้าใครใช้เมตาอยากดูทีเมตตาใครใช้กรุณา เออจะต้องเถียงกันแล้วพวกเราเนี่ยก็จะต้องมีแพ้กับชนะเลยเนี่ยใช่ไหมเมตตากับกรุณานี่คนละข้อหรือข้อเดียวกันคนละสภาวะหรือสภาวะเดียวกันใช้ในสถานการณ์เดียวกันหรือคนละสถานการณ์นั่นจะต้องมีคนผิดคนถูกแน่นอนดเลยผิดในนี้ไม่เป็นไรเราก็มีใครบอกเราไม่โอ้นี่เป็นเอพราะมิหารเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานมา เพื่อนฐานหรือไม่เพื่อนถามนี่จะบอกบอกวิธีบอกวิธีเดินพระมิหารพระมิหารเนี่ยเป็นอริยศาสตร์ข้อไหนโอ้ชักถามลงไปแล้วชักงงเลยนี่อ๋อพระมวิหารเป็นอริยศาสตร์ข้อไหนทกสมุทัยนิโรธมากมอามาไม่แปลกใจว่าทําไมเราต้องคิดนานเพราะเราไม่เคยใช้ข้อนี้กันเลยจะมา แสดงว่าเราเนี่ย ย, ยังยังยังไม่เคยใช้เอ๊ะเอ๊ะมามามาผิดที่หรือถูกที่ไม่เอางี้ เ, เวลาโยมถ้ามานั่งอยู่ตรงเนี้ยยมควรใช้พรวิหารข้อไหนกับพระโอ้โหคิดนานจังเ่ะแสดงว่ายมไม่เคยใช้การมาเลยนะเนี่ยตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ย ใช้เมตตาใช้เมตตากระพ้าได้ไหมการุณาได้ไหมใช้มุทิตาได้ไหมใช้เวขาจริงๆยมใช้ข้อไหนลองลองมองมาที่อาตมาแล้วคิดถึงอาตมาเดี๋ยวนี้ยมจะใช้พรมวิหารข้อไหนพอยินดีอดาตมาเรื่องอะไร <laughs> ยินดีที่ท่านมานั่งพูดแล้วเหนื่อยเนี่ยนะยินดีกับท่านด้วยหรือปปเปล่าหรือยังไงออหรือจะใช้เมตตารักปรารถนาดีเอื้อทอนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทโอ้หมดแรงเลยโอ้ <laughs> <laughs> <laughs> <st ut ters> <sm all> สรุปแล้วเอางี้เอ๊ะเอามาพูดประโยคแรกแลวก่อนเจอคนไข้ก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันประเด็นมันลากยาวเจอคนไข้ามาหาเราที่โรงพยาบาลเราควรใช้พรหมวิหารข้อไหนนะใครเมตายกมือหน่อยเมตตาเริ่มไม่ค่อยยกแล้วเริ่มใครใช้กรุณาณคือหลักการก็อย่างนี้เมตตาเนี่ยใช้ในวาลาัที่ปกติยามเขาปกติเนี่ย นั่นเมตตาคือรักปรารถนาดีเอื้อทอนนะเมตตาใช้ในเวลาที่ปกติเช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราเขาเป็นปกติของเขาไม่ต่ำไม่สูงยังไงมีปกติยังไงก็อย่างนั้นเขาให้ใช้เวลานั้นวาละนั้นควรใช้เมตตาคือรักปรารถนาดีและเอื้อทอนใช่ไหมคำว่าพรหมวิหารก็แปลว่าธรรมะคุณธรรมอันประเสริฐธรรมะประจาใจอันประเสริฐใช่ไหม ที่ควรมีไว้เป็นหลักใจเพื่อกำกับพฤติกรรมเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงะคนี่เาเรียกพระเมียาการุณาใช้ในสถานการณ์ไหนปกติหรือผิดปกติผิดปกติขาลงหรือขาขึ้นเออเนี่ยใช้ในเวลาที่ผิดปกติยามที่เขาประสบความทุกข์เจอปัญหา มีปัญหาชีวิตมีปัญหาร่างกายจิตใจหรือเจอปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่เราเห็นคนเขากำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนั้นควรกรุณาคิดสงสารอยากจะช่วยเขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นฉะนั้นกรุณาจึงใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติและมุธิตาใช้ในสถานการณ์ไหนปกติหรือผิดปกติฮะใครว่าปกติยกมือทีใครว่าผิดปกติ ผิดปกติแต่มเป็นขาขึ้นเช่นเช่นที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านเคยได้ยินข่าวนะครัก็แอบได้ยินข่าวอย่างเงี้ยเราควรยินดีกับเขาไหมหรือว่าไปแจ้งความว่าหวยเราหายสรุปแล้วก็คือควรมุทิตากับเขาใช่ไหมพอยินดีกับเขายี่เป็นต้นเช่นเจอหน้ากันอย่างพวกเราเวลาเจอหน้ากันป๊อป อย่างเนี <sm> ้ยอะอย่างนี้เราควรเจริญพระพิหารก่อนอหน้ากันนี้กรุณาได้ไหมทําไมมาถูกกราบอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปบ้านไม่ได้ได้ไหมเม่์ไม่อยากมากันเลยจริงๆเลยโดนคําสั่งให้มาสมมตินะแต่บางคนอาจจะมาต้องการข้อมูลความรู้ก็ว่าไปแต่บางคนไม่อยากมาหัวถงท้อเถอย บ้านเก็อยากจะกลับบ้านมั่งนัดกับภรรยาไว้จะไปกินข้าวไม่ไปเขาก็บ่นดา่า <c oughs> สรุปแล้วควาะเจริญ <c oughs> ผมอ่านก็ดูสถานการณ์นะดูสถานการณ์ให้ชัด <c oughs> ฉะนั้นมูทิตา ใ, ใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาขึ้น <c oughs> แล้วอุเบกขาใช้ในสถานการณ์ไหน <c oughs> ใช้ในสถานการณ์ไหน <c oughs> จริงพวกเราน่าจะมีเวลาเรียนพรหมิหารกันห้าวันนะเนี่ยจะเจาะลงไปลึกๆเนี่ยมันเอาไปใช้ถ้าถ้าไม่เจาะเรื่องจริงใช้ไม่ได้จริงมันก็ได้แค่ทฤษฎีหลักการปฏิบัติก็เปลี่ยวไปไม่ได้ไปไม่เป็นอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือปัญหาสังคมไทยสังคมไทยไม่สามารถเดินก้าสู่พรหมิหารได้จริงที่แรกออกมาจะพูดอริยศาสตร์ที่แรกจริงออกมาอากาศจะพูดเรื่องพรหมิหารในช่วงบ่ายนะ จริงๆแล้วเนี่ยจะเจาะเข้าไปให้เราใช้กันให้ได้จริงๆแล้วจะสามารถเออเราจะได้เราจะได้มีความสุขทุกขั้นตอนในการทำงานอย่างจริงที่แรกจริงๆอ่ะทีนี้อุเบกขาใช้ในสถานการณ์ที่จะประคองรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามรักษาธรรมธรรมชาติรักษาความจริงอันย่ก็คืออย่างเช่นลูกชายเราสมมติมีลูกหรือมีเพื่อน ไปทำผิดไอ้ความผิดที่ทำเนีน่ยเขาจะต้องติดคุกแต่เราเป็นคนมีคอนเน็กชันที่สามารถที่จะรัดขั้นตอนตามตวิธีแบบไทยๆเราได้พอลองพิจารณาดูแล้วไม่ได้กฎกติกาวางไว้ยังไงธรรมะวางไว้กฎธรรมชาติวางไว้ยังไงเราจะไม่ทำให้เสียธรรมะเมื่อเขาทำผิดก็ต้องรับผลของการการะทำ เมื่อเขาทําถูกก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นๆเพื่อจะรักษาธรรมะความถูกต้องดีงามรักษาธรรมชาติแต่นี้ไว้เราจะไม่ไปทําให้หลักการวิธีการ ก, กฎเกณฑ์กติกาข้อตกลงร่วมกันมันบิดเบี้ยวอย่างเด็ดขารักษาความเป็นกลางเราก็ยังเป็นพ่อกับป็ลูกเ อ, อ่ยความเป็นพ่อความเป็นลูกยังเป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่แต่ตอนนี้ลูกไปทาผิดกฎเกณฑ์กติกาลูกก็ต้องรับผิดชอบ ในการกระทำฉะนั้นอดทนแล้วก็ต่อสู้มันที่สุดจริงๆเนี่ยเราจะสามารถป่าบันอุปสรรคตรงนี้ไปได้เนี่ยเอาพ่อมีคขาเลี้งชั้นทไมไม่ช่วยหนูไม่ได้มันทำให้สังคมมันบิดเบี้ยวมันเสียหลักการเสียธรรมะเสียกฎเกณฑ์เสียความถูกต้องดีงามนะลูกเลพอชัดเจนั้มแล้วก็รักษาใจไว้ไม่ให้หวันไหวต่อโลกกระทที่กำลังเสื่อมราบเสื่อมยด โดนินทาประสบความทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านรักษาความถูกต้องดีงามเขาไว้รักษากฎเกณฑ์กติกาอันนี้เขาเรียกว่าอุเวขาเริ่มเห็นไยังอุเวขาใช้แบบนี้เรามีกันบ้างไหมข้อเนี้พ อ, <laughs> พอมีใช่ไหมเนี่ยลักษณะเป็นไปในลักษณะแบบนี้ ฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเนี่ยตัวพรหมวิหารธรรมเนี่ยก็ใช้ให้ถูกสา ร, รการให้ถูกกับบุคคลทีนี้หลักการอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกันมากก็คือกรุณาเนี่ยคิดสงสารอยากจะช่วยเขาพ้นทุกเนี่ยถ้าเราแม่เราเจ็บป่วยญาติเราเจ็บป่วยคนไข่เจ็บป่วยที่เรารู้จักเขาเจ็บป่วยเราขนขวายช่วยเต็มที่แล้วเกิดช่วยไม่ได้ เราก็เกิดโท ม, มันนั่นขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาเครียดขึ้นมาอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการุณาหรือไม่เป็นเป็นไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่การุณาแท้อย่างนี้เขาเรียกการุณาปลอมหรือการุณาเทียมถ้าการุณาแท้ต้องเป็นยังไงอ่ะในขณะที่ยอมช่วยเหลือขนขวายคนที่รู้จักเนี่ย หรือไม่รู้จักก็แล้วแต่เนี่ยช่วยตามความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเองที่เจ้าจะทําเท่าไหร่ทาเต็มที่เลยเพอทําเสร็จปุ๊บไม่สามารถจะทําให้กระแสชีวิตของคนคนนั้นฟื้นกลับมาได้เขาก็สุดลงสุดลงสุดล ง, ดลงในส่วนจริงก็ตายถ้ากรุณาแท้จะไม่ทุกข์ไม่ทุกไม่โทมนัสแต่จะมีสภาพปัญญาเข้ามาทําหน้าที่ แล้วก็พิจารณาเห็นความการุณาที่เกิดขึ้นในตนแล้วจะมีความสุขใจที่ตนเองได้ทําเต็มที่ตามทำเต็มความสามารถเต็มศักยภาพที่มนุษย์คนหนึ่งคนหนึ่งที่ควรจะกระทํำต่อเพื่อนต่อคนที่รู้จักได้เต็มที่วิชาความรู้ความสามารถที่มีทั้งหมดทุ่มเทยอย่างเต็มที่มันจะภูมิใจตรงที่ตนเองได้ทำํำก็จยัง <c oughs> นี่กรุณาแทนเป็นแบบนี้เข้าถึงกันหรือยังตัวเนี้ยถึงไม่ถึงถึงไหม มีไหมกรุณาตัวนี้มีไหมในชีวิตเรามีไหมถ้าไม่มีสามารถทำให้เข้าถึงได้ไหมได้เราสามารถที่ฝึกตัวเองให้เข้าถึงกรุณาตัวนี้ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเราช่วยไม่ได้ปุบ๊บเครียดกินควนขวายช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ได้เป็นต้นเนี่ยเครียดทุกวิตกกังวลนอามาเป็นเรื่องกัดกรุมในจิตใจอย่างนี้ไม่เรียกว่ากรุณาแท้เป็นกรุณาเทียม เพราะอะไรโทมนัสมันเข้าความทุกข์ใจมันเข้าอากุศลมันเข้าบาปมันเข้าถ้ากรุณาเป็นกุศลจ้องดีใจดีใจที่เราได้ทำได้ขวนขวายได้ช่วยถึงแม้ไม่ดีใจจิตใจก็เยือกเย็นแล้วก็สงบด้วยความสุขใจแบบลึกๆ ที่ตนเองได้ช่วยอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพการุณาจะเป็นแบบนี้ให้สังเกตว่าถ้าเราสามารถฝึกตนเองเข้าถึงตรงนี้ได้แปลว่าเราเนี่ยเข้าถึงธรรมะแล้วคือกรุณาได้จริงไม่ใช่แค่รูปแบบทุกวันเนี่ยเราโดยส่วนใหญ่แล้วก็ทํากันแค่ตามรูปแบบพิธีการเท่านั้นเองแต่เราไม่สามารถจะเจาะ ก, กระแสะชีวิตจิตใจของเราให้เข้าถึงกรุณาเข้าถึงเมตตาเข้าถึงมุทิตาได้จริงเหมือนเราไปพอยยินดีเนี่ยเช่นหัวหน้าได้ดี โหไปกันใหญ่ถือดอกไม้กันไปจัดงานกันไปแล้วก็ไปสแสดงมุทิตาแต่ในใจลึกๆบางทีไม่มีรอกได้รูปแบบแต่าการุณาจริงๆเนี่ยมันทำมุทิตาจริงๆมันพรอยยินดีปราบปลืม้มนะมีความสุขจากการที่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จในชีวิตถึงแม้คนนั้นเราไม่รู้จักมันก็เป็นนะเพียงได้ข่าวแค่นี้แหละเลยเคยไเอานี ถ้าถ้าเป็นมุทิตาจริงจะเป็นยังไงรู้ไหมมุทิตาจะต้องทำลายลิศยาได้อายกตัวอย่างยอมเคยเกลียดใครสักคนไหมในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยตาตอนนี้ยังมีอยู่ไหมที่เกลียดที่ไม่ชอบใจรู้สึกคนคนนี้เราไม่ชอบทำงานในหน่วยงานองในองค์กรเดียวกันเนี่ยเรามีบ้างไหมที่เราไม่ชอบมีไหมมีใช่ไหมห้ามบอกว่าไม่มีนะ แล้วเพอรญเอนคนที่เราไม่ชอบเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเรากล้าถือดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับเขาแบบจริงใจอ่ะยกโทรศัพท์ไปเลยฮัลโหลขอแสดงความยินดีด้วยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ามุที่ตาแท้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าขอยินดีด้วย <c oughs> แล้วเกิดเอาสมมตินะโอ้โหแข่งกันเลยเราสองคนเนี่ยเตีคู่กันเลยนะที่จะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเนี่ยโอ้โหทำกันเต็มที่เลยเราก็ลุยความเต็มที่เพื่อนก็นเต็มที่เหมือนกันแต่ไม่ถูกกันด้วยเพื่อนเราพลาดไปหนึ่งแต้มหนึ่งคะแนนอะไรก็แล้วแต่แล้วคนนั้นก็แซงเป็นหัวหน้าเรามีความรู้สึกยังไงชื่นใจขึ้นมาทันทีเลยไหม ตอบออกแล้วโอ้โหล่องเลยชื่นใจจริงๆรีบไปแสดงความดีใจด้วยว่าแหมบุญคุณมีกําลังเลยเขาคิดไงรู้ไหมคุณกุศลคนมีกําลังมากผมก็พยายามทํากุศลในปัจจุบันเต็มที่เลยนะทําความดีเต็มที่ทํากุศลเต็มที่ศักยภาพผมทําเต็มที่ผมก็หวังตรงเนี้ยแต่ผมเห็นกําลังบุญของคุณกําลังความสามารถของคุณศักยภาพกําลังกุศลของคุณมันใหญ่เยอะกว่าผมมาก ขอยินดีด้วยไเนี่ยนะขอยินดีด้วยโน้โหชื่นใจน้ําตาไหลเลยไม่ใช่ไหลเพราะโทมนาแน่นะปีติกับเขาแล้วก็มาพิจารณาเดี๋ยวเราจะต้องทำดีมันเต็มที่ให้เต็มความสามารถจริงๆเราเห็นแล้วกำลังของความดีกำลังของบุญกำลังของกุศลมันให้ผลอย่างนี้จริงๆไม่รู้จะบอกยอยังไงพอเห็นอย่างมุทิตามเป็นแบบนี้ มุทิตามันไม่ีขีดไม่มีขีดจํากัดนะมันแผ่ไปได้ยอมเคยมีไหมถามเองมุทิตาแบบเนี้ยเคยวิ่งเข้ามาอยู่ในใจเราบ้างไหมมุทิตามันมาเองหรือว่าเราต้องทําให้มันขึ้นให้เกิดขึ้นหรือมันมาเองมีเทพเจ้าดนบันดาลให้มุทิตาเกิดได้ไหมเอามุทิตามาได้ด้วยแบบไหนอะไรเป็นเหตุให้เกิดมุทิตาไม่รู้เห็นไหมเนี่ยเอาถามเมตาก่อน อะไรเป็นเหตุใกล้ของเมตตาคิดยังไงเมตตาถึงเกิดน่ะถ้ายอมตอบไม่ได้ฉันจะเริ่มคิดในใจว่าพวกยมไม่มีเมตตาเนี่ยอยอมคิดยังไงเมตตาถึงเกิดความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจมันเกิดอคิดแบบไหนเมตตาแบบนี้ถึงเกิดเคยคิดไหมยอมเคยเคยใช้เมตตาไหม อ้าวยอมคิดให้ดูเลยที่ยอมทงชัยสิทธิยุโนโคิดยังไงเมตตาถึงเกิดเห็นความทุกข์ของคนอื่นคิดให้เกิดคิดให้เขาอยากพ้นทุกข์อยากช่วยเขาพ้นทุกข์อายอมทนิน คิดยังไงให้เมตตาเกิดอ่าเอเดบ้าอดบ้อ yeah. no. um, yeah. ืมอออออือออืมมอืมอืออือมอออืออือออ หวังอย่างนั้นด้วยว่าคืออย่างนี้เอเกือบคือมีส่วนถูกนะคือเมคืออย่างนี้เมตตาเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยคือลักษณะของเมตตาก็คือมีความรักความปรารถนาที่เอื้อทอนใช่ไหมลักษณะหน้าตาของเมตตาเป็นแบบนี้เมตตาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเมตตามันทํากิจยังไงมันทําหน้าที่ของมันยังไง เมตตาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเขาทำลายอะไรเขาทำลายความเครียดความโกรธนั้นคนที่มีความเครียดความโกรธมากๆาน่ะคนคนนี้เมตตาไม่ค่อยเดินในใจคนที่เมตตาเดินในใจตลอดเวลาเนี่ยเมตตาเขาจะไปคอยทำลายความพยาบาทความโกรธความเครียดมันจะเกิดขึ้นมาจะตรงกันข้ามันจะไปทำลายใช่ไหมแล้วเวลาผลมันเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเมตตาเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นคนสุขขมเยือกเย็น ยอมก็เห็นพระจานทร์วันเพลนไหมพระจานทร์วันเพลนเวลาเรามองขึ้นไปตอนดึกๆเนี่ยเรามองไปแล้วใจเราเป็นยังไงนั่นแหละสภาพของเมตตาเวลาเกิดขึ้นจะเป็นแบบนั้นแล้วอะไรคิดยังไงเมตตาถึงจะเกิดเข้าใจไมก็คือการมองจุดเด่นของเขาเห็นจุดเด่นของเขาได้ง่ายคนที่คิดแล้วเกิดโทสะได้ง่ายเพราะมองจุดด้อยคนได้เก่ง สังเกตด้วยดิถ้ายอมจะคิดลองยอมมองมาที่พระนะถ้ายอมลองมองจุดด้อยอามาจะสอนให้ยอมโกรธพระะแต่ถ้าโกรธบาปต่อกระยอมนะเช่นว่าเจ้าพระองค์เนี้ยเดี๋ยวนี้พระเดี๋ยวนี้ไม่น่านับถือเลยเี่ยเป็นพระจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เช่ไเนี่ยมีพฤติกรรมดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ สงสัยพฤติกรรมไม่ได้เรื่องเราเรี่ยการคิดจุดด้อยอย่างเงี้ยซึ่งเราเราชํานาญกันอยู่แล้วในการคิดแบบนี้สัตว์โลกทั้งหลายนี่ยชำนาญในการคิดจุดด้อยคือเห็นจุดด้อยคนได้ง่ายวิธีคิดแบบเนี้ยเป็นการคิดเพื่อให้เกิดโทสะเกิดพยาบาทเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ยโทสะจะเกิดยอมเป็นบ่อยไหมบ่อยไ่บ่อย เช่นสามีกลับมาบ้านผิดเวลาพบคิดถึงจุดด้ยอยนี่ต้องแอบไปมีใหม่แน่นอนอแบบนีน้คิดแบบนี้นี่เขาเรียกคิดคิดจุดไม่ดีคือสามารถมองได้ทุกมุมใช่ไั้ยอมเคยเป็นไหมยอมผู้หญิงเคยเป็นไหมแบบนี้เคยไม่เคยหรือสัญชาตญาณบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆ <c ười> คืออย่างนี้ ahr, การคิดจุดเด่นนะเห็นจุดเด่นเขาได้ง่ายโดยมากเนี่ยที่เราสอนกันเนี่ยนะที่ไม่ใช่หลักการคำสอนในพุทธศาสนาจะสอนว่าให้มองในแง่ดีเางั้นจะให้มองในแง่ดีของเขาเ puff. ให้ให้คิดถึงแต่ความดีของเขา อยากไปคิดถึงความไม่ดีการสอนอย่างนี้ไม่ได้ตรงหลักคำสอนนะหรือว่าการมองให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆโ ด, ดยมากที่เราจะสอนให้รักษาใจกันเราจะสอนแบบนี้ใช่ไหมให้คิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆเราจะสอนกันอย่างนี้แต่หลักการคืออย่างนี้เวลาใดถ้าจะทำให้เมตตาเกิดขึ้นให้มองจุดเด่นเขาที่มีอยู่จริงไม่ใช่ไปปรุงแต่งที่เขาไม่มีแล้วไปปรุงแต่งให้มันมีขึ้น ถ้าอย่างนั้นจะกลายเป็นการหลอกตัวเองจะผิดเพี้ยนเป็นการหลอกจิตนะเข้านะเข้าเขาไม่ได้ดีจริงเราก็ไปคิดว่าเขาดีเขาดีลักษณะนี้ไปย้อมจิตแบบนี้เหมือนเอาสีแว่นตาไปใส่ให้มา้าหญ้ามันแห้ง <c oughs> ก็เอาแว่นสีเขียวไปใส่ให้มา้าม้ามันก็สำคัญว่าหญ้ามันดสดมันก็กินใหญ่เนี้ยเขาไม่ทำหลักการพุทธศาสนาเราไปสอนแบบนั้นเขาใจยัง <c oughs> เขาสอนให้มองมันมีมนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งดีและชั่วมีทั้งการทำผิดและทำถูกก็มองจุดเด่นจุดดีของเขาที่มีอยู่นั่นแหละมองแล้วมันจะได้เป็นอาหารของเมตตามันจะได้เมตตาจะได้มีกำลังมากขึ้นเมตตาจะได้เกิดได้ง่ายเกิดได้บ่อยเพราะเราฉลาดในการมองจุดเด่นคนได้ง่ายการฝึกมองในลักษณะอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหตุไกลของเมตตาเขาใหญ่ยัง คิดให้เกิดเมตตาคิดได้นี่ก็คนฉลาดคนที่บริหารจิตพวกเราเป็นนักบริหารนี่บริหารข้างนอกได้เก่งแต่ตอนเนี้พระสอนในการบริหารความคิดน่บริหารความคิดเนี่ยให้สามารถเดินเมตตาได้ในสถานการณ์ปกติถ้าถ้าบริหารความคิดอย่างนี้ได้เขาเรียกเป็นนักบริหารชั้นยอดสามารถที่จะมองให้เกิดเมตตาได้พอเมตตาเกิดขึ้นตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นยังไงจิต ด, ดีหรือไม่ดี คุณภาพจิตก็ดีจิตก็เกิดมีพลังขึ้นมาจิตที่ไม่มีโรคใช่จิตแข็งแรงจิตตั้งมั่นจิตมีพลังขึ้นมาจิตที่ไม่มีของเสียจิตสะอาดเอี่ยมอ่องของแพ่วไร้บนทินก็เกิดขึ้นจิตก็เป็นไปกระสุขสมนัตปีตีปลาโมดโอ้โหมาเต็มไปหมดเลยใช่จิตก็เป็นไปกัจจานปัญญานี่แปลว่าจิตได้คุณภาพหรือยังได้ทั้งคุณภาพ ได้สมรรถภาพหรือยังแข็งแรงตั้งมั่นได้ทั้งสมรรถภาพได้ความสุขหรือยังได้ความสุขเนี่ยวิธีคิดแบบนี้ยเขาเรียกเป็นนักบริหารจิตเพราะได้ความสุขได้คุณภาพได้สมาธิได้ความตั้งมั่นอย่างจิตแล้วเป็นฐานเป็นปฏิบัติการของปัญญาหรือยังโอ้โหนี่พอปัญญาจะมาเกิดในจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยปัญญาจะมาแล้วฉลาดมากจะคมมากลึกมากวิจัยอะไรได้รอบได้ชัด อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมอันนี้เขาเรียกนักบริหารในการแม้ดูใครสักคนหนึ่งก็สามารถฝึกจิตของตนเองให้เข้าถึงเมตตาได้แล้วจากเมตตาธรรมดาขยายเมตตาเข้าถึงความไม่มีโรคไม่มีโทษไม่มีของเสียเป็นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ่วไร้มนทินจิตที่ใสกระจา่างมองเห็นอะไรได้ชัดแล้วก็เป็นจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นไปกับความสุขปัญญาก็ตามมาเยอะเลยเงี้ยมองเห็นยังเนี่เขาเรียกว่าเป็นนักบริหารานี่ยังตอนนี้ยบริหารอะไร บริหารจิตได้ดีมากแม้ดูแป๊บในกร น, นี้ก็สามารถมองมองจุดเด่นของคนเมตตาเกิดได้อ้าวแต่นี้ไปเจอคนอีกคนหนึ่งคนที่เขาคนเขาที่มีพฤติกรรมแย่ๆเคยเจอไหมล้าเจอลูกน้องมีพฤติกรรมแย่ๆไหมเคยเคยเจอหรือไม่เคยเจอแล้วทำยังไงถามวิธีจัด ก, การหน่อยฮะอ้าวชมใช้วิธีชม ยอมบณิตใช้วิธียังไงเจอลูกน้องแย่ๆฮะอ๋อชมโอใช้วิธีเดียวกันเลยไปฟังใครมามิเรย์ยอมต้องใช้ใช้ยังไงใช่ยังไงเจอลูกน้องแย่ๆใช้วิธีแบบไหนอ๋อพูดคุ ย, ย, ยเรียกมาคุยยอมอะยอมใช้ยังไงจํารัก ลักษณะเลิอดอ๋อหาจุดเตดเช่นชมใช้ได้ผลไหมือบางทีฉันไปเคยได้เห็นกรอนเขาเขียน รู้สึกกรณี้มีพระเถระเนี่ยเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โรคบ้างอย่งน่าดูส่วนที่ชั่วยอย่าไปรู้ของเขาเล ย, เลยอะไรเงี้ยเอ่อ่านก็เพลินดีนะแต่จริงๆแล้วเวลาเราเห็นคนที่เขาแย่ต้องไปแยกองค์ประกอบเนาะด้านพฤติกรรมทางกายเขาแย่ไหม พฤติกรรมทางวาจาเขาแย่ไหมพฤติกรรมทางด้านจิตใจเขาเป็นยังไงไมันต้องแยกองค์ประกอบก่อนวิธีวิธีจะวิจัยมนุษย์เนี่ยใช่ไหมมันมีด้านพฤติกรรมด้านจิตใจด้านทัศน์ความเห็นเออเป็นยังไงเนี่ยพอเราจะแก้ปัญหามนุษย์ก็ต้องรู้องค์ประกอบใช่ไหมบางครีเนี่ยเราเห็นแค่พฤติกรรมทางกายของเขาแย่ลองไปดูพฤติกรรมทางวาจาดูที เขาเป็นยังไงด้านพฤติกรรมทางวาจาบางคนอาจจะมีการกระทําออกมาไม่น่ารักนะแต่คําพูดดีก็มีนะบางคนเป็นคนที่พูดดีพูดเพราะก็ได้บางทีพูดดีพูดพูดก็แย่พฤติกรรมทางกายวาจ า, ยาแย่หมดเลยนะแต่ทางด้านจิตใจก็าดีสมมตุตนะิเป็นคนที่มีจิตใจดีมีกระตันยูอะไรเงี้ยเป็นคนรู้คุณอะไรต่างๆมีรายละเอียดเยอะอัเวลาเราจะวินิจฉัยมนุษย์ในฐานะเป็นผู้บริหารเนี่ยมันต้องดูทั้งพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ทัศนะความเห็น ถ้าคนนี่มีทัศนะความเห็นที่มีความเชื่ออย่างผิดๆแบบฝังรึกเนี่ยฝังลากลึกเนี่ยไอ้กลุ่มประเภทเนี่ยเออเรามีปัญญาพอในการที่จะแก้เขาได้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมปัญหาและอุปสรรคเหมือนทะเลเยองเหมือนทะเลอะทะเลนี่มันกว้างนะปัญหามันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยแต่ปัญญาเนี่ยเหมือนกับอะไรเหมือนฝังเหมือนฝังทะเลจะกว้างขนาดไหนทะเลก็ไม่สามารถจะเลยฝังไปได้ ฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันสําคัญตรงนี้แหละพุทธิย่าบอกปัญญตราสเพธมาทำทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดมีปัญญาสูงสุดถ้าเราพัฒนาปัญญาได้แล้วแยกองค์ประกอบได้แยกทั้งพฤติกรรมแยกทั้งจิตใจยแยกทั้ง <c oughs> ทัศนคความเห็นเขาได้เนี่ยเวลาแก้ปัญหามันแก้ได้นะมันจะแก้อ ย, อย่างนั้นฉะนั้นท้าถามบอกว่าถ้าเจอคนที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีสภาพจิตใจที่แย่มีทัศนคความเห็นที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ย อันดับแรกให้ตั้งกรุณาเนาะตั้งกรุณาในใจสมมติไปเจอแบบเลวายสุดๆเนี่ยเลวไรสุดๆเนี่ยตั้งกรุณาก่อนนะ <c oughs> นี่เวลาเท่าไหร่เลยใกล้หมดได้ยังฮะสิบโมงครึง่งมีใครมีปัญหาก่อนไหมเดี๋ยวถัดเดี๋ยวตอประเด็นนี้ก่อนนะ <c oughs> คืออย่างนี้ถ้าคนเขาทั้งพฤติกรรมทางกายทางด้านจิตใจโดยทัศนคความเมียนแย่หมดเลยตั้งกรุณาตั้งกรุนาว่าคนคนนี้เขาต้องประสบความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะทุกข์จากการที่เขาคิดผิด ทุกจากการที่เขาต้องจมอยู่กับความมินผิดทุกอยู่กับการเขาอยู่กับจิตที่ไม่ดีอทุ ก, กอยู่ที่กับพฤติกรรมที่ไม่ดีจริงๆแล้วคนที่เขาทําไม่ดีเนี่ยเราบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ยเราเชื่อพาสิทนี่ไหมเชื่อหรือไม่เชื่ อ, อ, อจริงหเราเห็นคนทําไม่ดีแต่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ เ, เห็นไหมเคยเคยเห็นใช่ไหม เอสเลยมันจะไปลบล้างได้ไหมว่าทําดีไม่ได้ดีเอฉันเคยเจอประเด็นปัญหานี้มากใครใครใครรติดค้างเรื่องนี้ไหมถ้าติดค้างเดี๋ยวพาจะไขประเด็นตรงนี้ให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเข้าใจประเด็นผิดพลาดยังไงติดค้างก็ไม่ติดค้างบางก็เราบอกอีกคนคนนี้เราเห็นพฤติกรรมไม่ดีมาตลอดแ ต, แต่โอ้ยตําแหน่งมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเนา จะไปเคยเห็นไหมมันมีจริงๆนะเย่ะไหมมันไปเป็นประเด็นอย่างที่งยโอมะทํ า, า, าทดีมาจะคําว่ากาลยาณกาลีกาลยานางเนี่ยทําดีได้ดีเนี่ยทําดีเป็นความดีปาปกาลีจะปาปการเนี่ยทําชั่วได้ชั่วเนี่ยได้ประสบสิ่งที่ชั่วน ยามาจะบกพุทธภัณฑาษิตมาจากอย่างเงี้ยยาที่สังว่าปฏิพีชังตาพิสังและปฏิพลังกัลยาณกาลีกัลยาณนอปาปกาลีจปะปะาปกังเนี้ยสับตรงเนี้ยชาวไทยชาวพุทธโดยส่วนใหญ่เอามาพูดกันเยอะแล้วก็บอกว่าทําดีไม่ได้ดีมันอยู่ที่ว่ามีพวกดีต่างหากอะไรเงี้ยเนี้ยบางทีมาเขียนว่าทาดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไป ที <necessary. S 2> done, do it, ่มีบางคนเขาไปเขียนต่อบอกทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำดีต้องได้ดีทุกทีไปเว้นแต่เว้นแต่ไม่เข้าใจทำให้ดีใช่หมทีนี้ประเด็นก็อย่างนี้เขายกการหว่านพืชหรือปลูกต้นไม้ยอมว่าปลูกมะม่วงมันเป็นอะไรปลูกขนุนก็เป็นใช่ไปลูกมะขามเป็นมะขามทีนี้ปลูกมะม่วง ผลก็คือได้มะม่วงในปีนั้นน่ะเกิดภาวะความต้องการมะม่วงมันเยอะก็เลยขายมะม่วงแล้วได้เงินเยอะมันเลยกลายเป็นว่าปลูกมะม่วงแล้วได้เงินเหมันข้ามแล้วนะแต่นเนี้ยนะโอ้โหมาปีต่อมาระดมปลูกกันใหญ่โอ้โหดีมาร์ซพายมันไม่บาลานซ์กันแล้วตดีนี้ราคาตกเหมือนปลูกยางทุกวันนี้แหละราคาตก บอกโอ้โหสวยเหลือเกินทำดีไม่ได้ดีปลูกมะม่วงแล้วไม่ได้เงินที่จริงปลูกมะม่วงยังได้มะม่วงอยู่ไหมมันยังเป็นมะม่วงอยู่นั่นแหละแต่ไปขายไม่ได้เงินมันอีกขั้นตอนหนึ่งนี่เหมือนกันที่จริงการทำดีมันก็เป็นความดีทำดีคุณภาพจิตที่ดีมันก็เกิดขึ้นทำดีบุคลิกภาพที่ดีมันก็เกิดขึ้นึ้ น, นมันอย่างนี้ คำว่าความดีทำดีทั้งหลายกุศลทั้งหลายเนี่ยความกุศลความดีงามทั้งหลายเนี่ยสภาพจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่แข็งแรงจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่สะอาดเอี่ยมอองว่องแพร่จิตที่ไม่มีมลทินจิตที่มีความสุขเนีย่ยเวลาทำความดีเนี่ยจิตดีเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันให้ผลที่จิตใจแล้วให้ทั้งความสุขให้ทั้งสติ ป, ปัญญาให้ทั้งความผ่องแพร่ของจิตที่มันเป็นความดีจากการกระทำยังเป็นนี่ยัง ความดีมันให้ผลที่ใจก่อนแล้วประการต่อมาเมื่อคุศลความดีมันเกิดขึ้นอย่างหนานแน่นมากขึ้นแล้วบุคลิกภาพการแสดงออกมาทางกายทางวาจารหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาดีไหมดีก็อ่อนโยนเรียบร้อยดีงามนี่นมันดีสองระดับแล้วหนึ่งระดับจิตใจสองระดับบุคลิกภาพใช่ไหมระดับบุคลิกภาพ แต่เราโดยมากไปวัดผลความดีในระดับที่สามที่สี่เช่นได้ลาบได้ยศสุขสรรเสริญสมหวังตลอดถึงพ่อแม่ปู่ตายา ย, ยายายผลกระทบจากสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมทิ่ในทางที่ดีงามเราไปวัดระดับสามระดับสี่ซึ่งบางทีมันยังมาไม่ถึงแต่ระดับหนึ่งระดับสองนั้มันเกิดขึ้นในขณะที่ทำทันทีใช่ไหมในย่ตตงกันข้าเมื่อกี้จะพูดประเด็นเกี่ยวกเรื่องกาชั่วก็เหมือนกันทาไม่ดีเนี่ย สภาพจิตไม่ดีมันเกิดเลยนะความเครียดความโกรธความวิตกกังวลเนี่ยบางคนเอ้าทำไมเราทําเรื่องที่ดีๆทำไมเราเครียดได้เห็นไหมอันนี้แปลว่าการทากิตเราดีนะดีไหมทำงานตั้งใจทำทำเต็มที่เลยแต่ไปเครียดน่งานดีั้มจิตดีมไหาจิตไม่ดีที่จิตเครียดจะดีได้ไงใช่ไหมแสดงว่าทําจิจดีแต่ทาจิต ไม่ดีใช่ไหมแสดงว่าดีแค่ทำกิตเน่แต่คุณทำจิตไม่ดีอ่ะจริงไม่จริงงานโอ้โหรับผิดชอบเต็มที่เลยอ่ะเพราะพาพูดองนี้เท่านไม่เป็นชั้นเนี่ยเพราะฉนันเห็นพระไปโลกจิตโลกศาสา์ก็เยอะโอ้โหปีนี้กะว่ากระถินพระป่ามันจะมาหามก็นดติดนี่เครียดโอ้โหผลงานวิจัยออกมาแล้วบอกแ ท้าเป็นโลกอาการทั้งจิตกันเยอะเครียดกันเพราะทำไมถึงเครียดอ่ะคนมีปัญหาก็ไปนั่งคุยพให้ภาพฟังแล้วก็ก็ลุกไปเลยคนมีปัญหาคนที่สองมาอีกแล้วมาคุย <c oughs> คนคนที่สามมาสี่คนวางไว้นะจิตแพทย์จะเป็นแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าจะเจอแต่คนมีปัญหาใช่ไหมรับไปปัญหาทั้งวัน ที่แรกก็ห้าสิบหกสิบคนแนละ้วนเะข้าเพิ่มเลยแนละ้วก็แล้วนกะ็เอามาไปเจออยู่ลนยหนึ่งเลยเพราะเห็นฟ้าแค่นนัะ้นะยังก็เห็นพวกเลยบอโอ้โหช่วยอุ้มด้วยมันเป็นงั้นจริงๆงใช่ไหมรับฟังเรื่องที่ไม่ดีมาเยอะ ๆ, ๆ, ๆโอ้โหที่ปัญหามาันกบลุมลวจาฉะนั้นสภาพจิตเห็นไหมนะ่ะก็หนึ่งก็คือว่าเวลาให้ผลให้ผลที่จิตใจใช่ไหมแล้วก็ให้ผลที่บุคลิกภาพ มันไม่ได้เกี่ยวเลยนะบางทั้งน่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเออการทำงานดีๆแล้วจิตมันจะดีเสมอไปไม่เกี่ยวแล้วแต่นี้ยมันอยู่ที่การทำกิตการทำจิตและการทำกิตใช่ไหมเออถ้าทำทาจิตด้วยทำกิตไปด้วยแล้วก็ฝึกไปด้วยเนี่ยมันก็ได้ได้ได้ไดประโยชน์ล้วมองเห็นได้ว่าจริงๆทำดีมันเป็นความดีไหมทำดีสภาพจิตดีก็เกิดขึ้น ทำดีบุคลิกภาพที่ดีก็เกิดขึ้นแต่ส่วนการได้ราบได้ยศสุขสารเสริญอันนั้นเป็นระดับที่สามสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบไปด้วยในทางดีอันนั้นเป็นระดับที่ ส, ส, สี่ก็ว่าไปเนี่ยความดีมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราเป็นนักบริหารเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะระดับความดีเนี่ยมันระดับที่จิตใจทีนี้ถ้าถามพวกเรากลับไปว่าความดีเวลามันให้ผลเราชอบระดับไหน เมื่อทำดีอ่ะสภาพจิตใจดีเกิดขึ้นเป็นต้นตลอดถึงบุคลิกภาพดีที่เกิดขึ้นระดับหนึ่งระดับสองนี่เราชอบไหมชอบไม่ชอบหรือชอบระดับสามได้ลาบได้ยศได้ความสุขได้สรรเสริญได้ความสมหวังโดยมากเราจะกระโดดไปที่สามแต่ไม่ได้คิดคำหนึงถึงที่หนึ่งที่สองโดยมากจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องไปแก้ไขว่าจริงๆแล้วความดีมันอยู่ในตัวมันเองอย่างนั้นอย่างไรใช่ไหม ไปไปมาเราแค่จะสามารถตอบเขาได้ด้วยว่าลูกน้องเนี่ยผู้แตนบรุรคคับบัญชาก็ดีเงี้ยเขาบอกโอ้เขาเครียดเหลือเกินเขาทําดีเขาไม่ได้ดีแล้วก็บอกเขาดีคืออะไรความดีทั้งหลายที่คุณทําเนี่ยจิต ด, ดีๆเกิดขึ้นมีไหมความสุขสงบเกิดขึ้นความโปร่งโล่งเบาเกิดขึ้นจะเป็นต้นเหล่านี้ยนะนี่ลักษณะแบบเนี้ยทีนี้อา้าวเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาถามว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราเป็นผู้บริหารนี อะไรเป็นจุดหมายของงานเราเอามันมีอย่างนี้นะบางคนเอ๊ใครอายุเกินถึงเจะ6หกสิบเนี่ย้าสิบกว่าใช่ไหมใครได้ยินพาสิตว่าเออที่บอกว่าสโลแกนในยุคหนึ่งของรัฐบาล งานเงินและความสุขไงงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเคยได้ยินไหมเราชอบไหมภาษเนี้งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเราเชื่อไหมว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันทำงานฉันก็ต้องได้เงินเมื่อฉันได้เงินฉันยังจะมีความสุขใช่ไหมพวกเราเป็นไหมโรคแบบนี้เป็นไม่เป็น ต้องยกมือที่อยากดูหน่อยเป็นโอเคแสดงว่าฉันทํางานฉันก็ต้องได้เงินเมื่อฉันได้เงินฉันก็ต้องมีความถึงมีความสุขยอมทํางานกี่วันถึงจะได้เงินกี่วันถึงจะได้เงินยี่สิบเก้ายี่สิบสองบางคนก็ยี่บสองคนยี่บเก้าบางคนก็สามสิบบางคนก็ยี่บสี่ใช่ไหมฉะนั้นแสดงให้เห็นชัดว่ายอมต้องทํางานยี่สิบสี่วันยี่สิบสองวันยี่บเก้าวันหรือสามสิบวัน ถึงจะมีเงินมาเป็นตัวผ่านยอมถึงจะมีความสุขใช่ไหมพอยอมเอาเงินเป็นตัวผ่านความสุขนี่ถ้าเงินยังไม่มายังสุขไม่ได้ก่อนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขไงงั้นฉันทำงานฉันก็ต้องได้เงินเมื่อฉันได้เงินฉันถึงจะมีความสุขฉันให้งานคุณ ใช่ไหมเออฉันให้เงินคุณคุณต้องทํางานให้ฉันเมื่องานฉันเสร็จสําเร็จฉันต้องจะมีความสุขใช่ไหยมีสองฝ่ายฝ่ายให้นโยบายกับให้เงินเน่ยกับฝ่ายที่ทํางานที่จะมีจุดหมายของเงินฝ่ายที่ทํางานคือจุดหมายที่งานใช่ไหมล่ะก็ต้องมีสองกลุ่มนี่แหละทีนี้ประเด็นมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละปัญหาตรงที่มนุษย์ตอนนี้มันสุขไม่ได้ถ้าไม่มีเงินมาเป็นตัวเชื่อม ทั้งๆที่เงินมันอยู่นอกตัวนี่แหละแต่มันสุขไม่ได้ก่อนขอให้มีเงินมาผ่านมือปุ๊บมันสุขได้แล้วแต่นี้ยแล้วใหม่ๆตอนทํางานเดือนแรกเนี่ยของชีวิตน่ยยอมจะมีความสุขมากตอนนั้นได้ไม่กี่บาทหรอกพย้อนอายุอย่างยอมเนี่ยครั้งแรกที่เข้างานน่าจะได้ไม่กี่พันนะใช่ไมไ้ม9พันบ้าง8พันบ้าง7พันบ้าง6พันบ้างแต่มีความสุขมากใช่ไหม ตอนนั้นมีความสุขเหลือเกินเนี่ยเพียงเงินไม่กี่พันนั่นแหละแต่พอต่อมาไอเงินจํานวนนั้นช่าไม่สุขแล้วต้องเพิ่มตัวเลขขึ้นเพิ่มวัตถุให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับนะครับตอนนี้ถ้าได้มื่นหนึ่งยอมเครียดกินเลยนะเนี่ยท <c oughs> ั้งทั้งที่มันมากกว่าเดิมอะ่ะแล้วสมมุติถ้ามาได้ห้าหมื่นสมมุตินะได้ห้าหมื่นบาทอีกปีต่อไปก็ลดเหลือสี่หมื่นห้ายอมก็เครียดแล้ว แค่ตัวเลขลดแค่นี้เครียดแล้วอันนี้บ่กบอกให้เห็นว่าสุขของยอมไปอยู่กับวัตถุนี้อยู่ไอตัวเงินที่สมมติกันนี่แหละนี่ก็ได้ว่าทำงานเพื่อเงินทางานมีจุดหมายอยู่ที่เงินมีจริงๆนะเห็นไหมหนึ่งทำงานจุดจุดหมายอยู่ที่เงินทีนี้ถ้ามนุษย์พัฒนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งงานจุดหมายอยู่ที่ไหนอยู่ที่งานทำงานเนี่ยจุดหมายอยู่ที่งานแต่แปลว่าเงินเนี่ยเป็นผลพลอยได้แล้ว แต่งงานนี่เป็นจุดหมายหลักโอ้ทํางานก็จุดหมายที่งานเพราะงานเสร็จปุ๊บมันมีความสุขถ้ายังไม่เสร็จยังสุขไม่ได้ก่อนไอ้นี้ก็เครียดเหมือนกันเครียดในระหว่างทํำแต่พองานเสร็จเป็นจบๆเป็นขั้นๆเป็นตอนๆไปก็สุขเป็นระยะระยะระยะทํางานนั้นยาวหน่อยจุดหมายของงานนั้นต้องใช้เวลามากหน่อยก็ต้องกว่าจะได้สุขก็ต้องเพิ่มพลังมากหน่อยแต่พองานนั้นเสร็จปุ๊บโอ้สุขเงินเป็นผลประยได้จะจุดหมายคืองานนี่เป็นจุดหมายหลัก ยอมพัฒนาถึงจุดที่สองยังจุดหนึ่งจุดหนึ่งบางคนต้องเอาเงินเบนโดผ่านก่อนใช่ไหมแต่ประเภทที่สองพัฒนาต่อปุ๊บปุ๊ บ, บ, บขึ้นมาเอาเอาโรงงานเป็นจุดหมายหลักเอาเงินเป็นจุดหมายรองได้ยังเอาใครมีมีงานเป็นจุดหมายใครมีทํางานเพื่อ ง, งานโอ้โหได้หนึ่งคนแล้วมีไหมสองคนสามคนได้สี่โอ้ได้เยอะนี่นี่ทํางานจุดหมายกันกลุ่มเนี้ย ยังมีความเครียดอยู่ใช่ไหมไม่เครียดได้ไงพรอไปจุดหมายวางไว้ที่งานเนี่ยงานมันไม่ได้ผลทันทีคนมันยังสุขไม่ได้ก่อนใช่ไม้มมันยังสุขไม่ได้ก่อนต้องให้งานสําทธิ์ผลก่อนคนมันถึงจะเป็นสุขแต่ยังไม่สมําทธ็จผลฉันยังสุกไม่ได้กลับมาบ้านฉันก็ต้องหน้าบึง้งใส่ลูกใส่ภรรยาใส่สามีใส่เพื่อนบ้านก่อนเพราะอะไรงานฉันยังไม่เสร็จแบกมาบ้านด้วย บางทีฝันเคยฝันถึงงานเคยเอาไปฝันนะั้ยแสดงว่ารักงานจริงๆบ้างเ้สุดยอดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่ปัตถ้าจะให้พัฒนาอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะทำงานเพื่อเพื่ออะไรเพื่อทำทำที่ทอทงรอเรือมอมาธรรมะนี่คืออะไร ความเชื่อมั่นเป็นธรรมะไหมความเชื่อมั่นในความดีในสิ่งที่ดีงามมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์โอ้โหเกิดความของแพลีกันมีความกล้ากล้าอาถารก้าวไปใจสู้เห็นงานเห็นปัญหาอุปสรรคแล้วได้ฝึกตัวเองได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองฝึกศักยภาพได้ฝึกสติ ทำให้ตนเองมีสติในการระลึกในการตรึงในการดึงในการจับในการที่จะระลึกในการทํางานนะั้นได้ความตั้งมั่นแห่งจิตได้ความอดทนฝึกฝ น, นพัฒนาตนเองได้ปัญญาได้คิดอ่านได้พัฒนาวิจัยแยกแยะนี่เป็นธรรมะไหมเออทํางานเพื่อทำไอ้จุดหมายของงานก็กลายเป็นผลพลปยได้เงินก็เลยกลายเป็นผลพลปยได้ธรรมะก็เลยเป็นจุดหมายหลักเออถ้าอย่างนี้ชัดไหม โอ้ถ้าทำอย่างนี้โอ้โหพัฒนาโอ้โหมีศักยภาพเลยตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยดคือจะสังเกตได้คนที่ทำงานเพื่อธรรมะนี่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนนเพราะทำงานไปมันได้ได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนได้พัฒนาได้ทดสอบยิ่งเจอปัญหาเจอพวกนี้จะชอบเห็นปัญหาและ่องอุปรสรรคนี่เป็นเวทีทดสอบความสามารถ พรปัญหาแล้วภาษาคืออะไรทำให้มันดับประสบความสําเร็จยิ่งปัญหายิ่งใหญ่เนี่ยสเกลมันใหญ่เรื่องราวมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันได้ฝึกตนเองเต็มที่เลยได้ใช้ความสามารถเต็มที่ศักยภาพก็เพิ่มความเชื่อมั่นต้องเพิ่มความเพียรต้องเพิ่มสติสมาธิปัญญาต้องเพิ่มความอดทนต้องเพิ่มโอ้โหมันได้วิธีได้กับได้ใช่ไหมมันได้ทำมามันได้ฝึกฝนพัฒนาทั้งพฤติกรรมก็ได้พัฒนาจิตใจก็ได้พัฒนาได้ทั้งคุณภาพ ใจดีทั้งหลายเนี่ยสภาพจิตใจที่มีเมตตากรุณาโอ้หมาเพียบเลยแล้วมีทั้งสมรรถภาพทั้งความแกล้ากล้าอาหารก้าวไปใจสู้สติสมาธิหนึ่มมาความอดทนมนแล้วได้ทั้งความสุขได้ทั้งความสุขงานได้ผลเนี่ยนี่อย่างเงี้ยคนเป็นสุขเลยอย่างงี้คนที่ทำงานก็ได้ความสุขพอมองเห็นนี่ยังเข้าถึงได้ยังตรงเนี้ยยากไหมฮะแต่มนุษย์ทาได้ไหมนะฮะฝึกมีอย่ดีตรงเนี้ย ฝึกได้ใช่ไหมแล้วต้องฝึกไหมใช่ฝึกได้นี่เป็นกำลังใจต้องฝึกเป็นหน้าที่ใช่ง <c oughs> <c oughs> ั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เนี่ยเชีย่ยเห็นว่าในเรื่องของการที่เราจะฝึกผลพัฒนาตัวเราเองอย่างนี้เป็นเรื่องการบริหารจัดการโดยเฉพาะเลยบริหารจัดการในการที่จะฝึกผลพัฒนาตัวเราเองตรงนี้ก็คือทั้งหมดเหล่านี้ก็จะรวมไปถึงข้อคาว่ามัด เป็นทางดำเนินเป็นข้อปฏิบัติเป็นภาคลงมือทำเราทำข้อเดียวแล้วมันได้ครบอริยสัจทาข้อเดียวนี่อริยสัจมันครบเลยในขณะนั้นชื่อว่ารอบรู้เรียนรู้ปัญหาไปด้วยในขณะนั้นชื่อว่าละสมุทัยไปด้วยในขณะนั้นเพื่อดำเนินไปสู่จุดหมายคือนิโรธด้วยก็คือดำเนินข้อเดียวคือข้อมรรคแต่ที่ผ่านมากระแสชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจคาว่ามรรค ที่เอามาเป็นทางดําเนินมาเป็นข้อปฏิบัติมาภาคปฏิบัติการและลงมือทําเพื่อไปสื่อจุดหมายไปทางอย่างแท้จริงใช่ไหมเอ้าเหลืออีกประมาณสิบนาทีให้ถามปัญหาก่อนนะภาคเช้าใครมีเอาให้ได้ประมาณ ส, สองปัญหาใครจะถามเอาเชิญทำไมเนี่ทไมเออมาอยู่ทั้งนั้นลุกขึ้นเลยนะึ่ฉันเปนจริงๆฉันคนชอบสนทนาแบบปัญหาสนทนากัาเนี้ มันจะเข้าประเด็นชัดมากกว่าเพราะเวลาเราจํากัดโอเคครับกลับมาสการะพระคุณเจ้าครับออขออนุญาตเรียนถามในเรื่องของอริยสัจสี่ครับเ อ, อทําไมพระพุทธเจ้าถึงได้เรียงในเรื่องของเหตุผลไปหาเหตุครับเพราะว่าปกติเราจะเรียนในเรื่องของเหตุไปหาผลครัโอ้ยถามดีดีจริงๆทําไมพระพเจ้าแสดงผลก่อนใช่ไหมแล้วไปสาวไปหาเหตุให้สังเกตไุไหมทุกเนี่ยเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุ แต่มันต่างกันนะคู่ที่หนึ่งเนี่ยทุ ก, กับสมุทัยเนี่ยตัวทุกเนี่ยเป็นตัวผลแต่ตัวสมุทัยเป็นเหตุสมุทัยคือเหตุคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยเมื่อคนประกอบโลภะโทสะโมหะสัตว์โลกทั้งหลายดําเนินไปตามโลภะโทสะโมหะเป็นตัวสร้างอะไรสร้างปัญหาสร้างทุกข์สร้างอุปสรรคสร้างตัวขัดขวางให้เกิดขึ้นนั้นสมุทัยจึงเป็นเหตุของทุกส่วนมรกับนิโรดนิโรดเป็นผลคือพันิพานคือตัวจุดหมายเป็นตัวที่จะต้องทําให้ประจักษ์แจ้งขึ้นมา เป็นตัวดับทุกนิโรธเนี่ยดับทุกมาร์กนี่เป็นทางดําเนินมาร์นี่ไม่ใช่เป็นเหตุที่ทําให้นิโรธเกิดแต่มาร์กนี่เป็นทางดําเนินภาษาพหุเขาเรียกว่าสัมปาปะกะเหตุเป็นเหตุคือเป็นทางภาคปฏิบัติการที่ลงมือทําไม่ได้ทำมาร์กแล้วเนี่ยนิโรธมันเกิดแต่ทำมาร์กและเป็นทางดําเนินไปสู่นิโรธไปสูป่จุดหมายเอต้องเข้าใจอย่างนี้แต่ตัวสมูทัยเนี่ยเป็นเหตุ ทำให้ทุกเกิดทําให้ปัญหาเกิดทําให้อุปสรรคเกิดทําไมพระเจ้าจึงแสดงผลก่อนแล้วสาไปหาเหตุพุทธเจ้าให้ชี้ที่ปัญหาก่อนว่ามันเป็นทุกยังไงมันเดือดร้อนยังไงมันเป็นอุปสรรคยังไงมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางความเจริญของสัตว์โลกอย่างไรมันเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคยังไงมันสร้างความเดือดร้อนสร้างความลําบากยังไงมันเบียดเบียนมันบีบคั้นยังไงมันเป็นตัวปัญหาอย่างไร ไอ้สภาพปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาทั้งโลกทั้งจักราวาลเหล่าเนี้ไอ้ตัวทกุก็ดีตัวปัญหาก็ดีตัวอุปสรรคก็ดีตัวสภาพของปัญหาไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความโสว ค, ความล้ำลายลําพันทั้งหลายหรือตัวปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เราเห็นกันอยู่ธรรมชาติที่เป็นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าชี้เห็นปัญหาเพื่อจะได้ให้อยากจะออกจากมันอยากจะออกจากมันแล้วพอชี้ปัญหาปุ๊บแล้วก็สาวไปหาเลยว่า ไอ้ปัญหาโลหะอุปสรรคเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นที่มันมือมาเนี่ยปัภาพปัญหาที่มันยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยมันมาจากอะไรก็ชี้ไปที่เหตุชี้ไปที่สมูทัยว่าเพราะสร้างสมูทัยเพราะตัวสมูทัยเนี่ยเป็นโรงงานผลิตปัญหาเป็นตัวผลิตชิ้นส่วนทุกไอ้ตัวเป็นโรงงานผลิตทุกเลยเนี่ยตัวสมู ท, ทัยเนี่ยมันผลิตทุกผลิตปัญหาผลิตอุปสรรคปัญหาของโลกปัญหาของชีวิตทั้งปัญหาของสังคมที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นทุกหมดเลย มันมีตัวโรงงานผลิตอยู่ผลิตชิ้นส่วนผลิตปัญหาผลิตความทุกข์อยู่เห็นไหมต้องชี้ปัญหาก่อนเมื่อชี้ปัญหาโตมขึ้นมาทุกคนตกใจเลยโอ้โหปัญหาเหล่าเนี้ยมันเป็นอุปสรรคจริงหนอแล้วพระเจ้าก็รากไปดูว่ามันมาจะเขตยอะไรไอ้โลภะมันสร้างยังไงโทสะมันสร้างทุกยังไงโมหะมันสร้างทุกยังไงความเครียดมันสร้างทุกยังไง ไอ้ตัวอวิชาความมืดบอดมันสร้างทุกยังไงตัวการทํากรรมแบบนี้มันสร้างทุกยังไงตัวความยึดมั่นถือมั่นตัวนี้มันสร้างเหตุสร้างปัญหาสร้างทุกยังไงชี้ไปตัวปัญหาเอาและพอหลังวางไปเสร็จรวบอย่างเงี้ยทั้งทุกทั้งเหตุของทุกไปเสร็จรวบพูดถึงความดับทุกเลยสภาพที่จะดับปัญหาดับทุกยังไงวางเป็นจุดหมายร่วมกัน พอวางเป็นนโยบายเป็นจุดหมายร่วมกันให้ทุกคนบกคนตื่นขึ้นมาบอกว่าเรามีจุดหมายร่วมกันว่าเราจะฟันฝ่าว่าถ้าเราไปถึงจุดหมายตรงนี้ได้ความทุกข์จะหายไปปัญหาประสาทต่งางๆจะหมดสิ้นไปพอชี้ไปที่ผลคือพระนิพพานคือตัวนิโรธแล้วปุ๊บก็มาเอาและวิธีการวิธีการว่าเราจะดําเนินหลักการอย่างไรปฏิบัติอย่างไรที่ไปถูกการดับปัญหาระดับทุกเหมือนอะไรเหมือนไฟเนี่ยนะไฟ ไฟมันไหม้ไอ้ตัวไฟที่มันลุกพรงขึ้นมาเนี่ยมันไหม้ขึ้นมาอันนี้ตัวปัญหาเลยใช่มแล้วเหตุของปัญหาเหตุของไฟมันคืออะไรเหตุของไฟมันคือเชือ้อใช่ไหมมันอาจจะเป็นเชื้อก็ได้น้ำมันก็ได้เป็นพวกไอ้ไอ้ตัวฟืนก็ได้เป็นพวกไม้แห้งเป็นต้นนี้ก็ได้อันนี้คือมันปัญเหตุของปัญหาวางวิธีการว่าเราจะดับไฟยังไงเอาละ ปริมาณของปัญหาปริมาณของไฟมันขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กเห็นไหมก็วางวิธีการคั้นดีโรดก็คือการจะดับไฟดับทุกข์ดับปัญหานั้นวิธีการก็คือว่ากองไฟใหญ่ขนาดไหนจะใช้ถังแก๊สเล็กๆหรือจะใช้รถรถรถรถบรรทุกหรือจะใช้เราเครื่องบินหรือจะใช้สารเคมีอันนี้คือการวางวิธีการอันนี้เป็นมักเขาจอย่างท่านที่พระเจ้าชี้ปัญหาก่อนถูกไหมชี้ให้เห็นก่อนว่าปัญหา พอชี้เห็นปัญหาทุกคนจะได้ตื่นขึ้นมาว่าเรากําลังประสบปัญหาอะไรแล้วก็ชี้ไปที่เหตุของปัญหาแล้วก็ชี้การดับปัญหาแล้วก็บอกวิธีการเริ่มเห็นความชาญฉลาดของพระพุทธเจ้าหรือยังว่าทําไมต้องชี้ไปที่ตัวผลก่อนเพราะผลมันคือปัญหาก็เหมือนในในองค์กรเราเนี่ยถ้าเราเอาลิยสัตว์ไปจับเราจะเห็นทันทีหนึ่งแล้วก็ลากปัญหาขึ้นมาต้องรู้ชัดรู้รอบรู้ทั่วรู้โดยประการต่างๆในปัญหาให้ชัดให้ทุกแง่ทุกมุม แล้วก็สาวไปหาเหยื่อว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็วางนโยบายขององคอ์กรหน่วยงานว่าเราจะดับปัญหายัางไงจะแก้ไขดับทุกนี้ได้ยังไงจะเข้าถึงความสุขได้อย่างไรนี่วิธีการนี่อยู่ตรงที่วิธีการมีมัดจะดําเนินยังไง ร, ระดมยังไงปัญหามันเล็กใหญ่ยังไงก็วางวิธีการวางข้อปฏิบัติวางหลักการพอจะเห็นชัดเจนนี่ยัง <c oughs> ถ้าอย่างนี้โอชัดเลยจะแก้ปัญหาได้ <c oughs> ใช่ไหมเรียกว่า หน่วยงานนี้แก้ปัญหาโดยอริยสัจเอาเรื่องริยสัจสีไปจับแต่เราต้องเข้าใจให้ได้ตกผลึกก่อนนะต้องไปวิจัยทําการวิจัยให้ชัดในปัญหาในเหตุของปัญหาในการดับปัญหาแล้วก็วิธีการจะเข้าถึงการดับปัญหานั้นๆถ้าเข้าใจเราแก้ได้ทุกเรื่องเลยอยู่ที่ปัญญาพอไหมเนี่ยเจตนาดีอย่างเดียวไม่พอนะเหมือนเราบอกอุ้ยเราเป็นผู้บริหารเรามีเจตนาดีถ้าเจตนาดีปัญญาไม่ถึงเป็นไง มีเจตนาดีออกกฎหมายโอ้โหเรียบร้อยเลยปัญหากฎหมายน่าจะเป็นน่าจะเป็นช่องทางในการทําให้เราดําเนินการอะไรได้คล่องขึ้นปัญหากฎหมายทางการเป็นอุปสรรคในการทํางานนี่หรือว่าระเบียบหลักการที่ตั้งกันไว้กลายเป็นอุปสรรคในการทํางานกลายเป็นนี้ก็เจตนาดีแต่ปัญญาไม่ถึงนี่ต้ระวังตรงเนี้ยฉะนั้นจะแก้ปัญหาด้วยเจตนาดีอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องเพิ่มอะไรเพิ่มปัญญาความรู้ความเข้าใจให้ชัด ถ้าเพิ่มปัญญาให้รู้ให้เข้าใจชัดนี้แก้ปัญหาได้ทุกประเด็นเอามีอีกปัญหามีอาเชนอ่าเและอหลกนาทีอารพระคุณเจ้าครับถ้าผมขอเรียนถามอ่าผมนพสกิตกบีโพโนครับขอเรียนถามว่าผู้มีสติปัญญาอ่อนหรือว่าเป็นปัญญาอ่อนเนี่ยนะครับ หรือผู้มีจิตวิปลาสจิตฟั่นเฟือนเนี่ยเขามีความทุกข์ไหมครับครับเอามีความทุกข์แค่นี้นะไอเรื่องความทุกข์มันมีทุกสองกรณีบางทีเราต้องแยกระหว่างทุกข์ธรรมชาติกับการว่าทุกข์ใหญ่ในทุกข์ธรรมชาติเนี่ยคําว่าทุกข์ของอริยสัต์ก็คือปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความยิ่งธรรมชาติมันมีมันอยู่ตลอดเวลาแม้เรากําลังสุขใจอยู่ความทุกข์ธรรมชาตินันก็มีอยู่ เพราะทุกขธรรมชาติคือการทุกข์ของการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่คงทนไม่ถาวรมันเบียดเบียนบีบคั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันตลอดเวลานั่นคือทุกข์คือความจริงธรรมชาติไม่มีสปปรรพสิ่งใดๆเลยที่มันไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นธรรมชาติมันมีองมันอยู่พุทธิจาจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นแต่ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเหล่าเนี้ยความจริงธรรมชาติมันมีองมันอยู่ฉะนั้นจะเป็นคนมีสติปัญญาหรือไม่มีสติปัญญาเป็นออทิสติกหรือเป็นคนปัญญาอ่อนใดๆความขขามมทกขเีอยู่ เล้ก็จะเห็นชัดก็คือการที่เขาเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาถูกเบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลามีการขยับเพรื่อเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกอวัยวะทุกชิ้นตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหวัวใจตับปอดไตใหญ่ไตน้อยทั้งมันสมองกระแสชีวิตของเขาทั้งหมดเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลาเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลา อาการลักษณะอย่างนั้นที่มันแสดงออกมาในการยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างในการคู่เข้าเหยียดออกกับพิษตาอาปากกินดื่มเคี้ยวลิ้มไายอุจลลาปัสสาวะในการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งนั่นคืออาการของทุกมันรายงานตัวมันบอกให้เราเห็นว่านั่นคือทุกนั่นคือปัญหานั่นคืออุปสรรคที่มันเป็นมันอยู่แล้วนี่นี่คือเรีอกทุ่งธรรมชาติ ส่วนเราไปเห็นอากับกิริยาปฏิกริยาใดๆแล้วเราหยิบอาทกธรรมชาติมาใส่เป็นทุกในใจของเราเนี่ยอีกครั้นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเขาเรียกว่าทุกขเอทนาบ้างหรือว่าทุกขทุกใจบ้างความเจ็บปวดความก้าวปวดเล้าในด้านจิตใจบ้างมันก็เลยเป็นการทกสองทุกเลยหนึ่งทุ่มธรรมชาติสองทุกใจใช่ไหมทุกใจมันก็กลายเป็นผสมเลยกลายเป็นผสมเขาเรียกทุกขทุกทุกยกกําลังสองอ่ะ ทุกกายไม่พอทุกใจด้วยนี่นะงนั้นกรณีอย่างเนี้ยแต่ถ้าในความจริงพระริยยะหรือความจริงที่พระเจ้าต้องการให้เราพัฒนาพัฒนาปัญญาเข้าไปลุกทุกของธรรมชาติทุกของความจริงเลยพอไปเห็นได้ปัญญาตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนี้แหละจิตใจมันก็ปลดล็อก ไอ้ทุกข์ใจมันก็หายก็กลายเป็นความสุขแล้วเห็นความจริงว่าเราจะปฏิบัติต่อความจริงนั้นอย่างไรและจะแก้ไขจัดการอย่างไรแก้ไปที่เหตุปัจจัยอย่างไรแก้ได้แค่ไหนอย่างไรตามสติปัญญาตามความรู้ตามความสามารถอย่างไรมันก็เลยเข้าไปแก้ไขตามกระบวนการนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะมองเห็นไหมทุกมันมีอยู่ทุกอย่างแต่มันจะมาดึงความทุกข์ธรรมชาติมาเป็นทุกข์ในใจเราโดยส่วนใหญ่พวกเรามีความสามารถกัะ ต, ตรงนนี้สูงสูงก็คือเห็นทุกข์ในองค์กร เราก็ไปหยิบทุกในองค์กรมาเป็นทุกในใจเรานี่ความสามารถของเราตรงเนี้ยเห็นพ่อเป็นทุกแม่เป็นทุกโอยโอยขึ้นมาแล้วก็ไปเอาทุกของธรรมชาตินั่นแหละของพ่อแม่เป็นทุกมาใส่ไว้ในใจเราเห็นสามีเป็นทุกลูกเป็นทุกอากาศร้อนฝนตกทุกหมดใช่ไหมหนาวก็ทุกร้อนก็ทุกบ้านรกทุกไหมบ้านสะอาดเป็นทุกไหมทุกไม่ทุกกลับไปบ้านสะอาดเอี่ยม ทุกไหมทุกเอเอาของเราไปเก็บไว้ไหนจกแหมมันเก็บสุดหมดเลยนี่โอ้โหตอนนี้เป็นทุกจริงไหมมันทุกหมดแหละถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนที่มีความสามารถปรุงแต่งทุกได้ง่ายนิดเดียวก็ทุกจริงไหมผมงอกเส้นเดียวยังทุกตั้งหลายวันต้องไปย้อมอีกเลยเอาแล้วนี่ก็หมดเวลาแล้วเอาไว้ช่วงบ่ายเนี่ยช่วงเที่ยงใช่ไหม ฮะเที่ยงครึ่งโอเคแล้วมีไม่มีประเด็นอะไรแล้เนะงั้นก็โมทนากับเราในช่วงเช้าก็อามาอาจจะใช้คำพูดใดๆที่อาจจะกระทบบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นการเพื่อจะให้ข้อมูลความรู้วัตถุประสงค์มีอย่างเดียวเท่านั้นคือทำยังไงให้เราได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีโอกาสมาพบเจอกันแล้วเนี่ยก็เปิดความรู้สึกก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ พอหมดหน้าที่กันแล้วก็ตามคนต่างไปอามาต้องการอย่างนั้นอย่างต้องการว่าเมื่อเราสามารถเอาธรรมะกฎความจริงธรรมชาติไปใช้ได้จริงประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็องค์กรเนาะแล้วก็ขอให้เราประสบสุขและความเจริญในภาคเชา้าในภาคบ่ายว่นอาทิตย์แขอโมดธนาน